อพระอาจารย์ท่านเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับนิมนต์ท่านพระอาจารย์ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับพระอาจารย์ครับกราบนรัมสการ์ครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอาจารย์ครับครั้งที่แล้วครับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เทศเรื่องสั่งยศสิบเอาไว้นะครับมีคอมเมนต์มาเต็มเลยครับมาว่าว่าทราบสุขใจกันเยอะเลยครับพระอาจารย์ครับ วันนี้ผมก็เลยจะขอต่อลึกเลาไปอีกนิดนึงครับอาจารย์ครับว่าสังโยชน์เป็นกิเลส ท, ที่มัดใจเราให้วนเวียนอยู่ในวัตตะแล้วแล้วเราจะเราจะตัดพวกนี้ออกไปได้อย่างไรครับเพราะว่าบุตรชนทนัธรรมดาเนี่ยก็รู้สึกว่าสับสนว่าจะปฏิบัติอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยขอพระอาจารย์วาดแผนที่เดินทางให้ฟังครับว่าจะทํำยังไงเพื่อที่จะบรรลุธรรมได้ครับคํําคาถามแรกของผมก็คือเรื่องแผนที่บรรลุธรรมนะครับอาจารย์ครับขอบคตณครับ เมื่อเรารู้แล้วว่าการที่เราจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องกําจัดสังโยชน์ทั้งสิบข้อนี้ให้ได้และเครื่องมือที่จะกําจัดสังโยชน์ทั้งสิบข้อนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคที่มีองค์แปดนี่ที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการ ทมลายสังโยชน์ที่มีอยู่ในใจเราตอนนี้เรารู้ว่ามันอยู่ในใจเราแต่เราไม่รู้วิธีกาจัดมันเหมือนกับคนไข้ที่รู้ว่ามีมะเร็งอยู่ในร่างกายแนคนไข้ไม่รู้จักวิธีกำจัดก็ต้องไปหาแพทย์แพทย์ที่รู้วิธีก็จะใช้เครื่องมื อ, เ, อ, อเช่นผ่าตัดทีโม ใช้แสงอะไรเป็นต้นแล้วก็สามารถจะกำจัดมะเร็งที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดไปได้พวกเราก็ต้องไปหาหมอที่มาช่วยสอนเราให้รู้จักวิธีกำจัดสังยุทที่ผูกใจเราให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดของใยพก หมอก็จะสอนหรือจะแนะนําวิธีกําจัดสังโยชน์ว่าต้องปฏิบัติมรรคแปหรือศีลสมาธิปัญญามรรคแปเมื่อย่อลงมาก็เป็นสามส่วนศีลสมาธิปัญญาเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรู้เกิดความเห็นชอบความคิดชอบนี้ก็เป็นองค์ประกอบของปัญญานี่เองอย่ต้องคิดไปในทางไตลัก คิดไปในทางว่าโลกที่เราอยู่นี้เป็นโลกของไตลักโลกของความทุกเพทาอทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมีการสิ้นสุดมีการเสื่อมเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครที่จะมาห้ามมันได้เนื้อ น, นัตตาเมื่อเราอยากให้มันไม่เสื่อมอยากให้มันถาวเราก็จะทุกข์กัน เวลาที่เราพบกับความเสือ่อมพบกับความสิ้นสุดของสิ่ ง, งต่างๆเราต้องม า, มาสร้างองค์ประกอบสององค์นี้ให้คิดไปในทางตายรักให้ได้ตอนนี้เราไม่คิดไปในทางตายรักกันเรามองอะไรแล้วเราจะมองตรงกันข้ามกับตายรักเห็นอะไรก็ว่าโอ้ยดีจะให้ความสุขกับเรานี่ก็เป็นการเห็นผิดแล้วเนียมิจฉาทิฏฐิ ถ้าเป็นสัมมาธิฏฐิเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ถึงแม้ว่ามันจะดูสวยงามถึงแม้ว่ามันจะให้ความสุขกับเราในขณะนี้แต่มันเป็นของชั่วคราวมันไม่เที่ยมวันดีคืนดีวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีการสิ้นสุดลงหรือเปลี่ยนไปแล้ววันนั้นความสุขที่ได้จากสิ่งต่านั้นก็จะหายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์อันนี้เราไม่มองกันแบบนี้ เราเห็นาลาบยศเสริญเห็นรูปเสียงกิ่นรดต่างๆแล้วก็โอ้ยดีนะได้เงินมาดีไหมดีทถ้าไม่มองเวลาเงินหมดดีไม่ดีเวลาได้ตําแหน่งมาดีใจไหมดีใจกันเวลามันหมดเป็นยังไงขนาดที่มันไม่หมดแต่มันทําท่าจะหมดก็คเครียดกันพยายามเกาะติดเก้าอี้กันเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นบอไปกับ การดูแลรักษาสิ่งต่างๆที่เราได้มาอันนี้คือตัวอย่างว่าเราต้องมาสร้างสัางสมาทิฏิสรมาสัมมาสังกรปรโดยการเอาคำสอนของพระเจ้ามาสอนใจเราพะเจ้าสอนให้เราพยายามมองทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาเวลาคิดกครคิดว่ามันทุกเห็นอะไรก็คิดว่าเป็นไตรลักษณ์ เพื่อจะได้ลาาความอยากได้สิ่งต่างๆนะอันนี้อันนี้เล่าตัวอย่างให้ฟังว่านี่คือองค์ประกอบของปัญญาอสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรความเห็นชอบคมดำริชอบแล้วตอนมาก็คือพระพุเจ้าสอนว่าสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมม า, าชีว อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของสี น, ง น, นี่การกระทําที่ถูกต้องคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวองนี่ไม่ดื่มของมื่นเมาไม่เสพบา ย, ย ม, มุกเป็นการกระทําที่ถูกต้องที่คนรจะทําแล้วก็สัมมาวาจาก็คือการไม่พูดปดไม่พูดคำหยาไม่พูดสาเสียไม่พูดพอเจ้ออันนี้เป็น การการพูดที่ถูกต้องแล้วก็มีสัมมาอาชีว์อาชีพที่ถูกต้องคืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเป็นอาชีพที่ไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาชีพที่ไม่ไปทําให้ผู้อื่นก็เสียหายเดือดร้อนนี่ก็คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเริ่มปฏิบัติกันถ้าอยากจะไปสู่พระนิพพาก น, นกันั้นตอนการมีศีล สัมมาคัมมโตสัมมาวาจาสัมมาชีโวอันนี้คงจะเข้าใจนะไม่ต้องมาอธิบายละเอียดสีห้าเริ่มต้นที่สีห้าแล้วถ้าอยากจะปฏิบัติสมาธิก็ต้องเพิ่มจากสีห้าเป็นสีแปดเพราะว่าสีห้ายังไม่ห้ามให้เราไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกัน ถ้าเราถือศีลห้าเราก็ยังว่าเดี๋ยววันวันหยุดไปเที่ยววันไปไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวทีนี่ไปกินไปเดี่ยวกันก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสตินั่งสมาธิกันงั้นถ้าอยากจะเจริญสมาธิก็ต้องเปลี่ยนศีลห้าเป็นศีลแปดก็จะได้มีเวลาทนที่จะไปเที่ยวเข้าไปวัดกันไปไกวิเวกนะที่สงบ อเรามีเวลาเราก็จะเริ่มเจริญองค์ประกอบของของสมาธิที่มีสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติและสัมมาสมาธิสัมมาวายามความเพียรชอบก็เพียรอะไรก็เพียรสร้างสติเพียรสร้างสมาธิเพียรสร้างสติให้เป็นสัมมาสติ ส, ส, ต ส, สติที่พวกเราตอนนี้มีกันเป็นสติที่ไม่ไม่ใช่เป็นสัมมาสติ สัมมาสติเน้นต้องเป็นสติที่หยุดความคิดพวกเรามีสติแต่เรามีสติแต่เราไม่หยุดความคิดเรามีสติกับการทํำนู่นทํานี่คิดนู่นคิดนี่เราไม่หยุดความคิดสัมมาสตินี้เราต้องมีสติเพื่อคอยหยุดความคิดไม่จิตคิดเนื้อเนื่องนี้ให้รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เท่านั้นก็พอที่กาลังเดินให้รู้ว่ากําลังเดิน ไม่ใช่เดินไปคิดไปเหมือนวันก่อนนาะยกสนันดุลลมเหมือนมั้ยเดินไปแล้ ว, วคิดเรื่องโน้น เ, เรื่องนี้ไปไม่ดูว่ากาลังเดินอยู่ตรงไหนไม่ดูเท้าเนี่ยเรียก ว, ว่าไม่มีสติไม่มีสัมมาสติถ้ามีสมาสตินี้ต้องรู้สึกตัวทุกร ะ, ระยะการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้ามีสติแล้วเวลามานั่งสมาธิก็นั่งดูลมหายใจเข้าออ จิตก็จะไม่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่กับลมหายใจจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็คือความสงบนิ่งของจิตจิตหยุดห ย, ยุดคิดปรุงแต่งหยุดพวงอารมณ์ต่างๆจิตว่างจากอารมณ์ต่างๆว่างจากความคิดหรือแต่ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้แหละคือสมาสมาธิที่เราต้องการ พรถ้าเรามีสมาสมาที่แล้วเราก็จะสามารถที่จะใช้สติที่เราควบคุมจิตให้อยู่คิดนี้ไปคิดทางตายละลายไปเจริญสมัส ม, สามมาสามัมมาทิฏฐิสัมมาสังปปะให้เราคิดว่าลาบยศรเสิร์นสุขที่เราหากันอยู่ตอนนี้เป็นทุกข์เราจะได้อยู่หาหาราบยศรเสิร์นสุขกันแล้วก็ไปหาสิ่งที่เป็นสุขก็คือความสงบ ที่เหนือกว่ความสุขทั้งปวง น, นี่ก็คือวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติกันในที่สุดก็ต้องเห็นว่าการดำเนินชีวิตของเราในขณะนี้เป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราแสวงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันที่ไม่มีวันอิ่ไม่มีวันพอพอตั้งการนี้ตายไปความอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญสุขไว่ จะผลักดันให้ไปเกิดใหม่เป็นมีร่างกายแต่ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากราบยศสรรเสริญสุขไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะไม่ทำให้เราเกิดความอยากได้อะไร้วให้เราอยู่เฉยๆได้อันนี้พอเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วใจเราก็ไม่ต้องไปเกิดอย่างต่อไป เป็นต้องไปเวียนว่าวตายเกิดอันนี้พูดโดยคร่าวๆแต่รายละเอียดมันมีอยู่เยอะถ้าปฏิบัติแลถ้ถึงอยากถึงอยากเข้าใจและพูดถึงได้พูดไปตอนนี้ก็เสียเวลาก็สรุปก็คือต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเราอันนี้เราหาความสุขจาการาเยงเสิร์เสริตจากรูปเสียงกลิ่นรสเราต้องหันมาเปลี่ยนการหาความสุขด้วยการหาความสงบเป็นเครื่องให้ความสุขกับเรา งันวันหยุดหรือเวลาว่าแทนที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไปดูไปฟังไปกินไปดื่มเราก็ไปนั่งสมาธิกันไปเจริญสติการันทุกคนทําได้ครับทําทจากน้อยไปหามากไม่ใช่ว่าจะต้องทําทันทีทันใดต้องไปบวกันทันทีทันใดไม่ใช่ครับตอนนี้เรามีพยายามเปลี่ยนตารางใหม่เปลี่ยนตารางเวลาที่เราทํากิจกรรม แทนที่จะดูทีวีก็นั่งสมาธิแทนที่จะทําอะไรที่ไม่จําเป็นจะต้องทําก็เอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่ามันจะเร่าสติแล้วเมื่อเราได้เริ่มทําแั้นก็จะเกิดผลเมื่อเกิดผลแล้วก็จะมีกําลังใจที่ทํามากขึ้นมากขึ้นเราก็จะตัดกิจกรรมทางโลกออกไปได้มากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดวันหนึ่งเราก็บอกว่าเราไปบวชได้เําสามถ้าเราสามารถ ปฏิบัติธรรมได้มีความสุขกับการปฏิบัติธรรมล้วก็ไม่รู้จะอยู่เป็นคารวะไปไหนเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมบวชได้บวชได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็จะถึงนิพพานอย่างแน่นอนตามที่พระเจ้าสมุทักสอนไว้ครับถูกครับอบาจารย์ครับขอบพระคุณพอาจารย์ครับฉั้นผมขอโอกาสถามแทนเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับจากคุณคันชิตครับ บอกว่าเป็นนี่เยอะตายกับอยู่ตัดสินใจแบบไหนดีอยู่ไปเถิดนี่มันถ้าเราไม่ใช้มันอย่างมากเราก็ไปติดคุดกติดตารางเรื่องล่มละลายนั่นเองร่างกายเรานี่ยังมีคุณประโยชน์ให้เราหาทรัพย์ภายในที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ภายนอกถ้าไม่มีร่างกายนี้ยากต่อการที่จะสร้างทรัพย์ภายในคือพระอริยทรัพย์มรรคผลนี่ผ่านต้องมีร่างกาย เพื่อจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีนีเยอะ ก, ก็บอกว่า ก, ก็ยอมเสียนี่นี่นี่ภายนอกไปนามาหามาสร้างทรัพย์ภายในดีกว่าคำถามจากคุณนิตยาพรครั บ, ก, บร ก, การราสการเจ้าค่ะมีคำถามอยากเรียนถามอาจารย์เราถวายน้ำให้พระพุทธรูปที่บ้านได้ไหมเจ้าค่ะเป็นการทำถูกไหมเจ้าค่ะ ได้แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะพระพุทธรูปท่านดื่มไม่ได้นะ้ำที่เราถวายอาหารที่เราถวายเนืออไรคือพระพุทธรูปนี้ความจริงมีไว้เพื่อเตือนสติเราเท่านั้นเองให้เราเลิกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ให้เราเลิกถึงข้อวัดปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติก็คือทำธานรักษาศีลภาวนานี้เองถ้าเราอยากจะบูชาพระ พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าบอกว่าให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะนั่นก็เจตนารมณของการในพระพุทธรูปเพื่อเตือนเราให้เรารีบปฏิบัติกันคำถามสกคุณจีระศักดิ์ครับขอถามหลวงพ่อครับถ้าเราทำได้แล้วเรายัางทำไล่ทำนาเลี้ยงพ่อแม่โดยใช้ปัญญาสอนใจให้ว่างแต่เราใกล้จะตายก่อนพ่อแม่เราจะได้กลับมาเกิดได้ไหมครับ ไม่ทราบคำถามคำถา ม, ถ, ามถ้าเราทำได้แล้วมาถึงทำอะไรเรายังทำให้ทํานาอยู่เรื่องพ่อแม่โดยใช้ปัญญาสอนใจให้ว่าแต่เราก็เยตายก่อนพ่อแม่เราจะได้กลับมาเกิดได้ไหมครับถ้าเรายังตัดกิเลสไม่ได้ละสังยุยไม่ได้เราก็จะกลับมาเกิดอยู่ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างอื่นไม่สําคัญ ปรนสำคัญที่พายเรากลับมาเกิดการก็คือสามโยินี่เองคุณกิตสนภนครับการรัชการพ่อแม่ครูอาจารย์กับผมรับราชการเป็นนักกฎหมายปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจึงมีผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่บ้างแม้จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการกับผมก็เกรงว่าจะเป็นการสร้างเวรกรรมโปรดแนะนําการวางจิตเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแก่กับผมด้วยครับ มันก็เป็นเรื่องที่มันหลีกเดียไม่ได้ถ้าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ผู้ที่ถูกที่เดือดร้อนเขาอาจจะโกรธเราเกลียดเร า, เลเราและอาฆาตปยาบาติต่อได้เห็นถ้าไม่อยากจะมีผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่ไปทำหน้าที่ที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้หน้าที่ที่ดีที่สุดที่ไม่มีผลกระทบกับผู้อื่นก็คือเป็นพระนี่ จากคุณไก่เลือครับอาจ า, ารย์การเรียนถามหลวงพ่อขณะ น, นี้บริการพุทโทรพร้อมกับอานาปานาสติลมหายใจเข้าออกในเมื่อต้องกําหนดจดจอ่อกับลมหายใจตลอดเวลาจิตและสติจัดละการรับรู้คือลมหายใจเข้า อ, อปนาสมาธิที่เหลือแต่เอกคัตาได้อย่างไรคือพอปฏิบัติจ น, จนจิตและสติต่อเนื่องกับลมหายใจได้แล้วแต่ไม่ถึงภาวะจิตรวมเนื่องจากมีความสงสัยข้างต้นครับ อย่าไปสงสัยเวลาปฏิบัติให้ดูลมให้พุโทโธไปเมื่อมันไม่มีความคิดอื่นลงหรืออยู่ในใจแล้วจิตมันก็จะเข้าไปในสมาธินันเวลาทาสมาธินี้อย่าคิดอย่าวิภากวิจารณให้อยู่กับลมไปหรืออยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวถ้าไม่มีความคิดอื่นแทรกเข้ามาแล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ ส, สมาธิได้เอง การดูลมนี่เป็นการเหมนกันเป็นการ ป, ป, ประครับประคองให้จิตเข้าสู่สมาธิหรือการบริกรรมพุโทโธเนี่เป็นการออดึงจิตให้เข้าสู่สมาธิแต่ถ้ายัางเข้าไม่ได้สแสดงว่าจิตยังวัดไปคิดทางนั้นทางนี้อยู่ก็ต้องทําไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะหยุดวัดไปคิดทางนั้นทางนี้ได้เมื่ อ, อไรเมื่อนั้นจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ทันที คุณสมทวินครับการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะในระหว่างเดินจงกรมทบทวนไตรตองธรรมที่อ่านที่ฟังมาได้ไหมเจ้าค่ะหรือว่าข้างในต้องเงียบและรู้เฉพาะการเคลื่อนไหวของกายเท่านั้นเจ้าค่ะเคย อ, อยู่ที่ว่าเราต้องการเจริญสติหรือเจริญปัญญาเนี่ยถ้าเจริญสติเราก็ไม่คิดไม่ทบทวนอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเราต้องการเจริญปัญญาเราก็ทบทวนได้ทบทวนธรรมะที่เราได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, งได้ศึกษามา เพื่อให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นเพื่อให้จดจำอยู่ในใจได้นานขึ้นอันนี้ก็สามารถทำได้แต่เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนเราอยู่ขั้นเจริญสติหรือเอยู่ขั้นเจริญปัญญากันซึ่งส่วนใหญ่ผู้เริ่มปฏิบัตินี้จะต้องอยู่ในขั้นเจริญสติมากกว่าถ้าไปข้ามขั้นไปเจริญปัญญานี้มันจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร มันจะได้ผลดีกว่าถ้าเราสามารถที่จะเจริญสติให้ได้อย่างต่อเนื่องก่อนเพราะเราจะสามารถหลังจากนั้นเราจะสามารถควบคุมการพิจารณาทำให้ไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราไม่ยังไม่มีสติกําลังมากพอการพิจารณาธรรมของเราจะได้เป็นเพียงชั่วค้าชั่วขราวแล้วเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องทางกิเลสต่อทันที คำถามจากคุณอุสรินภ า, าครับการเรียนถามพระอาจารย์ข่าเคอร์ดี้นว่าเวลาปฏิบัติให้ดูกายในกายคําว่ากายในกายหมายถึงอะไรและเราต้องดูอย่างไรคะขอบคุณคะ่ะคือการดูกายก็คือมีหลายวิธีด้วยกันหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกเราใช้กายดูกายเพื่อเป็นการฝึกสติเพื่อเป็นการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดต่างๆท่านสอนให้เรามีกายยาัคตาสติ ให้มตสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกิเลยาบทตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระ่งถึงเวลาหลักนี้ให้เราเฝ้าอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นอันนี้สําหรับนักปฏิบัตินะที่ไม่มีภารกิจการงานที่จะต้องไปคิดดรืงนั้นเรื่งนี้แต่สําหรับผู้ที่ยังมีภารกิจการงานอยู่มันก็ยากอาจจะทําได้เป็นช่วงที่มันว่างจากการต้องไปทําภารกิจการงาน เช่นตอนตื่นเช้าก่อนที่เราจะไปทํางานนี้เราก็ไม่ต้องคิดกะได้เกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆเราก็มีสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะที่เราเตรียมตัวไปทํางานอาบน้ําก็ให้อยู่กับการอาบน้ําล้างหน้าแปลงพันก็อยู่การล้างหน้าแปลงพันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ไปเลยครับเป็นการดูกาย ในขั้นของสติก่อนถ้าเราได้สติแล้วเข้าสมาธิได้แล้วเราถ้ามันดูกายในในในด้านปัญญาดูกายว่าไม่เที่ยงเป็นยังไงเอร่างกายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดมาเป็นทากนะรกแล้วก็จะระเติบโตขึ้นมาตามลําดับจนเป็นผู้ใหญ่อย่าผู้ใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุก็เป็นคนชราเป็นคนเจ็บคนตายไปในที่สุดอันนี้ก็เป็นการดูกายแบบ แบบปัญญาแต่ต้องดูเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ดูกันแบบได้เทไ ป, ปหมดเดี๋ยวก็ดูกายหรือก็มาดูคิดร่างกายไม่เที่ยงมันสับสนกันมันไม่ได้มันไม่ได้ผลที่ควรจะได้ดังั้นบางตอนให้ดูกายเพื่อเป็นการเจริญสติสร้างสติขึ้นมาเพื่อจะได้หยุดความคิดคอยคุมจิตให้เฝ้าดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่แล้วอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เพื่อเวลานั่งสมาธิจิตจะได้เข้าสู่ความสงบได้ครับคำถามจากคุณเปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับถ้าพระสงฆ์ทะเลาะ ก, กันเป็นสังฆเภทไหมหรือถ้าพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งมีความคิดเห็นที่ต่างจากพระรูปอื่นเป็นสังฆเภศไหมครับเท่าที่เท่าที่เห็นผ่านมาก็ไม่ไม่ถึงขันนั้นคือไม่ได้ทําให้สงฆ์แตกแยกกันเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราจริงจ มันจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่มีบ้างพี่น้องก็อาจจะไม่มีความเห็นไม่ตรงกันก็อาจจะมีการทะเลาะกันบ้างแต่โดยภาพรวมสมก็ยังอยู่เป็นเปิดแผนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่คุณมินครับทําไมพบภูมนุษย์ถึงปฏิบัติธรรมเพื่อถึงมรรคผลได้ง่ายกว่าพบภูมอื่นครับเพราะว่าพบภูอื่นนี่ขาดปัจจัยเสริมแล้วก็ เป็นภพภูมิที่ไปรับผลบุญผลบาปมากแบบเป็นภพภูมิที่จะมาสร้างบุญส ร, ส, ส, รบสร้างกุศลหรือสร้างบาสร่างกับถ้าไปรับผลบุญก็ไปเป็นเทวดาเทวดาก็จะมีแต่เรื่องดีๆให้ไปเสพอยู่เรื่อยๆมีความสุขให้เสพตลอดเวลาถ้าไปเป็นผลของบาป ก, ก็ไปเกิดนิยบายเก็ต้องไปเสพความทุกข์ มีเรื่องราวของความทุกข์มาให้วุ่นวายใจตลอดเวลาจนไม่มีสติสตังที่จะมาคิดและปฏิบัติธรรมันั้นต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงที่ไม่มีผลของบุญของบาป ใ, ให้เกิดขึ้นช่วงนั้นมนุษย์ก็จะต้องมาสร้างบุญและสร้างบาปใหม่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบร้อมขึ้นอยู่กับคนที่ให้ความรู้ควาสั่งสอนถ้าไปเกิดในครอบครัวที่สอนให้ทําบุญปฏิบัติธรรมก็จะได้ ทำบุญปฏิบัติธรรมถ้าไ่เกิดในครอบครัวที่สอนให้ทำบาปเสพบาบายมุกก็จะไปทำบาปเสพไวยายมุกยกเว้นว่าจิตใจของบุคคล น, นั้นมีความแน่วแน่ต่อการทำบุญหรือทำบาปถ้าเป็นอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมก็จะไม่สามารถที่จะมาโน้มน้าวได้งั้นเรามาเกิดเป็นอนุษย์นี่ก็จะมีสิทธิ์ที่จะมาสร้างบุญสร้างบาปขึ้น แต่ถ้าเป็นเทวดาก็จะไม่มีเวลามาสร้างบุญเพราะจะเป็นเวลาเสดความเสดผลของบุญเวลาไปเกิดในอบายก็จะไปเสดผลของบาปขึ้นก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลได้แต่ท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์แโชคดีได้มาเกิดในครอบครัวที่เป็นชาวพุทธหรือได้พบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนมีพระที่ทย่ำส์ก็จะได้เรียนรู้ถึงวิธี ปฏิบัติเพื่อมากผลกันแล้วก็จะได้ปฏิบัติกันได้น้นไม่มีพบไหนที่จะเหมาะเท่ากับพบของมนุษย์เพราะเพราะมนุษย์นี่เป็นพบที่มาสร้างบุญนั่อสร้างบาปสร้างกุศลนั่อสร้างอกุศลกันนั่นเองเพราะเหมือนเป็นพบที่ไปรับผลบุญผลบาปเลยคุณอักจร้าครับ ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เจ้าค่ะทราบแต่ว่าอนิจจังไม่ที่ยังทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่ยังงง ง, งอยู่เจ้าค่ะคำว่านิจจังไม่เที่ยงคงจะเห็นเนี่ยคือไม่มีอะไรถาวรคําว่าไม่เที่ยงก็คือไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปชผันบ้างเร็วบ้างทุกสิ่งทุกอย่างในการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เที่ยง มันไม่เกิดมาล้ามันไม่ได้เป็นทารกไปตลอดใช่นไหมแสดงว่าไม่เที่ยมมันมีการเปลี่ยนแปลงจากทารกก็ไปเป็นเด็กเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เป็นคนชรลาคนตายไปนี่คือความไม่เที่ยมอันนันตาก็คือมันไม่มันไม่มีมันไม่ได้เป็นของของใครมันไม่มีตัวตนมันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนต้นไม้เป็นเหมือนลมพัดเหมือนฝนตกนี่ ไม่มีใครสั่งให้มันพัด ไ, ไม่มีใครสั่งให้มันตกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีใครสั่งให้ร่างกายเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมชาติของร่างกายนี่ก็คืออนัตตาแล้วถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเรามันก็จะทําให้เราทุกข์เพราะเราจะไม่ได้ตามความอยากว่าเราอยากให้มันเที่ยงเราอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆเราอยากจะให้มัน ให้ความสุขกับเราไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายแต่ละห้าม ม, าะะามันไม่ได้เพราะห้ามมันไม่ได้เราก็เลยทุกข์ใจกันคุณจีรศักดิ์พิมพ์ข้าม่อีกทีครับอาจารย์ครับขอโทษหลวงพ่อกับคุณหมอครับผมหมายถึงว่าเราละได้หมดแต่อยากเลี้ยงพ่อแม่แต่ตายก่อนพ่อแม่เราจะได้ไปนิพพานไหมครับพ่อสงสารพ่อแม่แต่มีอาชีพทำนา คือเรื่องเลี้ยงพ่อแม่ก็เรื่องหนึ่งเรื่องไปที่ผ่านก็เรื่องหนึ่งที่เราสามารถทำควบคู่ไปกันได้เช่นสามมติว่า ถ, ถ้าเราไปบวชแล้วเราอยากจะเลี้ยงพ่อแม่เราก็พ่อแม่ไปอยู่วัดด้วยก็ได้พ่อแม่แล้วเราก็เลี้ยงพ่อแม่ได้ทางวัดก็จะมีมีที่อยู่ให้มีอาหารให้น้ำประทานแต่ต้องอยู่แบบผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาอยู่เพื่อมามาอาศัยวัดกิน มาอยู่วัดแล้วก็ต้องมาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาถึงแม้จะไม่ได้บวชก็ต้องมีการปฏิบัติเราก็สามารถที่จะเลีงพ่อแม่ได้แล้วเราก็สามารถปฏิบัติทำเพื่อให้หยุดพ้นไปถึงพระนิพพานได้ไปพร้อมๆกันอย่างหลวงตามหาบวัวท่านก็เอาแม่ไปบวชแล้วก็ไปอยู่ที่วัดท่านท่านก็เลี้ยงดูแม่ตลอดเวลาจนกระทั่งแม่สิ้นชีวิตไปในขณะเดียวกันท่านก็ปฏิบัติธรรมของท่านไป ท่านก็ไปนิพพานนอกจากนั้นท่านยังสอนแม่ให้ไปนิพพานต่อตามท่านไปได้ด้วยอีกด้วยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีมีปัญหาถ้าเราอยากจะเลี้ยงพ่อเลีงแม่แล้วเราอยากจะไปนิพพานเราก็ไปบวชแล้วเราก็เอาพ่อแม่ไปอยู่วัดถ้าเขายังบวชไม่ได้ก็ให้ไปถือศีลแปดก่อนนี้เป็นต้น แต่ถ้าเราตายก่อนก็ช่วยไม่ได้เพราะเรื่องเป็นเรื่องความตายนี้ไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามมันได้ถ้าเราตายไปแล้ว ม, มันก็หมดมันแล้วก็หมดหมดหน้าที่ของเราที่จะไปดูแลพ่อแม่ต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าไม่มีผู้อื่นดูแลจากคุณวีนาครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าคนที่ไปเกิดในอบายอีกนานแค่ไหนจึงจะหลุดออกจากอบายคะโดยเฉพาะคนที่ไปนรกกราบขอบพระคุณค่ะ ก็เหมือนติดโทษอ่ะเราแต่โทษที่เราทําโทษหนักก็ติดนานทําโทษน้อยก็ติดก็ติดไม่นานเาะฉั้นบาปกรรมที่เราทํานี่มันมีหนักมีเบาเช่นศีลห้านี้ถ้าเปรียบเทียบศีลข้อหนึ่งนี้หนักที่สุดค่าค่าสัตว์ตัดชีวิตเราลงมาก็รักทรัพเราลงมาก็ประพฤติผิดประเวณีเราลงมาก็พูดปดเราลงมาก็ดื่มสรารยาเมา โทษมันหนักเบาต่างกันก็อยู่นานไม่นานก็อยู่ที่แล้วทํามากทําน้อยด้วยอาจจะโทษเบาแต่ทําซ้ํากทําทุกวันนี้มันนุวมๆแล้วมันก็หลายกระทงน n g เลยก็อยู่งานหน่อยคุณกัญยรัตน์ครับกลับเรียนถามอาจารย์ครับในชีวิตคารวะควรวางใจอย่างไรในเรื่องคู่ครองเป็นไปได้ไหมครับถ้ายัางเสพการอยู่แล้วจะปล่อยวางในเรื่องของร่างกาย ได้คือเรื่องของการเสรจการนี้มันเป็นเรื่องของการเห็นร่างกายของคนอื่นน่ารักน่าเอ็นดูน่าใครหน้าให้ความสุขกับตนส่วนการปล่อยวางร่างกายนี้เป็นเรื่องของการเห็นความเป็นจริงของร่างกายว่ามันไม่เทีย่ยงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายห้ามันไม่ได้ถ้าเรา ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยมันตายได้โดยที่ไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่ทุกข์แต่เรื่องของการที่จะมีคู่ครองนี้ก็ยังมีได้อยู่ถึงแม้เราจะปล่อยร่างกายแล้วก็แต่การที่จะไม่มีคู่ครองได้นั้นเราต้องมองเห็นร่างกายว่าไม่สวยในงานร่างกายเป็นของสกปรกหน้าเกลียดหน้ากลัวเช่นโคลกระดูกถ้าเราเห็นโคลกระดูกในคู่ครองของเราแล้วเราก็อาจจะ ขยักขยันขึ้นมาก็ได้แล้วเราก็อาจจะไม่อยากจะมีคู่ครอง อ, อีกต่อไปก็ได้นั่นเป็นคนคนละประเด็นหนึ่งถามจากคุณเซนครับอยากทราบว่าการเจริญปัญญาจะมีเรื่องอะไรบ้างที่จิตเราคิดในขณะนั้นเช่นดูอสุภะหรือพิจารณาเรื่องมรณานุสติให้แจ่มแจ้งแล้วเกิดการปล่อยวางประมาณนี้หรือเปล่าครับในการเจริญปัญญาครับคุณครับก็ การเจริญปัญญามันก็มีมีขั้นมีตอนของมันเหมือนกับการเรียนหนังสือมันก็มีขั้นปฐมมัธยมอะไรไปถ้าการเจริญปัญญาจริงๆนี้เราก็เจริญปัญญาขั้นต้นก็คือที่ร่างกายปล่อยวางร่างกายให้ได้พิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติธรรมมาจากดินน้ำลมไฟ ที่จะต้องย่อยสลายย่อยสลายไปในที่สุดอันนี้แล้วก็มาพิเจนนาความสวยงามของร่างกายว่ามันไม่สวยงามหรอกมันสวยเพียงภายนอกนะพอมองเข้าไปภายใต้ผิวหนังแล้วมันเป็นหร่างกายที่ไม่สวยงามเลยเราพิจารณาเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายให้ได้เพื่อเราจะได้ตัดความยินดีความยึดติดกับร่างกายที่สวยงามของผู้อื่นเรื่องของเราเอง อันนี้คือการพิจารณาเพื่อปล่อยวางร่างกายก่อนเมื่อเราผ่านร่างกายได้แล้วเราก็มาพิจารณาเวทนาคือความความทุกข์ที่เกิดขึ้นจัดจากร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเวทนาก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราวบกลุ่มบังคับไม่ได้เ ป, เป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินฟ้ากาศที่มีการแปรปรวนอยู่เรื่อยๆ เวทนาทางร่างกายมันบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์เราจะไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้เราจะไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เพราะเวลาอยากแล้วมันเกิดแล้วมันไม่เวลาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของเวทนาที่จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วดเราก็ยอมรับสภาพ เวลาเจ็บก็ยอมรับปล่อยให้มันเจ็บไปอยากก่าไปอยากให้มันหายเจ็บเราก็จะไม่ชุกได้นี่ก็คือการปล่อยเวทนาต้องพิจารณาเป็นเนื่องเรื่องที่สามก็เริ่มจิตใจก็คือจิตใจแล้วก็มีการแปดปวนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวชั่วบ้างเดี๋ยวเมตตาเดี๋ยวเดี๋ยวโหดร้ายทารเดี๋ยวหิชาลิสยาเดี๋ยวมี 108, ร้อยแปดพัาลการที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เราจะต้องรู้จักทําความเข้าใจแล้วก็อย่าไปอย่าไปยึดไปติดมันอย่าไปทําตามมันให้รู้เฉยเฉยให้เรารู้เหมือนกับเรารู้การแปรปรวนของดินฟ้ากับแล้วอย่าไปพยายามประยุก่์กับมันให้รู้เฉยเฉยกว่าให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแล้วเราก็จะไม่ทุกกับการแปรปรวนของร่างของของจิตใจอันนี้คือสุข เรื่องการเจริญปัญญาเจริญเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ในร่างกายในเวทนาและในจิตเพื่อจะได้ปล่อยไว้ให้เขาอยู่ไปตามธรรมชาติของเขาคำถามจากคุณทิพยประพาครับการเป็นถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าจิตเราว่างจากการกระทบจากสิ่งภายนอกในทุกเรื่องกระทบมาก็มีคิดเหมือนกันเจ้าค่ะแต่ถ้าเราคิดแก้ปัญหาและวางเร็วอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องไหมเจ้าคะกราบขอบคุณด้วยความเมตตาค่ะ คือถ้าเราไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาก็ถือว่าถูกต้องถ้าเรามีทุกข์มีความกังวลใจมีความไม่สบายใจขึ้นมาแสดงว่าไม่ถูกต้องแสดงว่าเรามีความอยากอย่างใดอย่างหนึง่งขึ้นมาแล้วคุณกัณยิกาครับกาบเรียนถามใช้วิชวิธีเจริญสติด้วยคําบริกรรมเกสาโลมานขาทัานตาตะโจโดยไม่นั่งสมาธิเลยจะได้ไหมคะการเจริญสตินี้ ไม่ต้องนั่งสมาธิกันการยำริงสติเพื่อให้เราควบคุมความคิดหยุดความคิดแต่เราก็จะได้ครึ่งเดียวถึงแม้จะหยุดมันก็ไม่ได้หยุดแบบเต็มที่ถ้าเราต้องการให้จิตหยุดคิดอย่างเต็มที่เราก็ต้องนั่งหลับตาแล้วก็จเจริญทำบริกรรมต่ออย่างที่เราทําในขณะที่เราไม่ได้นั่งสมาธิก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมเกยสาโลมานคาทันทาตาตาโชไปเรื่อย อย่างนี้ก็จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้เหมือนกันจากคุณธรรมดาครับกาบเียนถามผ้อาจารย์ค่ะปวดหัวมากจึงนั่งภาวนาปวดหนอปวดหนอจนจิตสงบรู้สึกหายปวดหัวแต่ตัวข้างในชะงกออกมาเห็นตัวเองข้างนอกหน้าตาเหมือนเราเลยจึงตกใจรีบลืมมาดูจึงอยากถามว่าถ้าเจอแบบนี้อีกต้องทายัางไงคะถ้ากาหนดแบบไหนต่อไปคะู้เฉย ให้รู้ว่ามันเป็นเพภาพรวมภาพเหลอกจิตสร้างขึ้นมาทั้งเองคำถามจากคุณวิเชียนครับชีวิตคนเราถูกกําหนดอายุไขไว้แล้วจริงไหมครับนี่คือเหตุผลทําไมบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนไม่จริงหรอกมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันที่ทําให้คนเราอายุยืนหรืออายุสั้นคือวิบากกรรมในอดีตที่เราทํามาก็มีส่วน แล้วก็กรรมที่เราทําในปัจจุบันคือพฤติกรรมบบตาร่างๆก็มีส่วนหนึ่งอยู่ที่การการคลองชีวิตของเราเราคลองแบบไหนถ้าเราเดือบโซลายามาสู่บุรีเราก็เที่ยวมากๆไม่มีการพักผ่อนหลับนอนเท่าที่ควรโอกาสที่จะตายเร็วกว่าผู้อื่นที่ก็ไม่ได้เดือบโซลามิสู่บุรีไม่ได้เที่ยวเตะ ม, มากมาก ไม่หามรลูกหามคำมันก็มีแล้วมันมีหลายเหตุปัจจัยด้วยกันไ ม, ไม่มีอะไรที่กําหนดตายตัวในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาบอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยของเหตุของผลถ้ามีเหตุแบบนี้ผลแบบนี้ก็เกิดขึ้นถ้ามีเหตุแบบนั้นผมแบบผลแบบนั้นก็จะเกิดขึ้น คุณน้องครับนวัตสการ์ค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตสอบถามว่าเราจะมีวิธีพิจารณาความทุกข์ที่อยู่ในความสุขอย่างดีค่ะเช่นทุกวันนี้หนูมีความสุขในการใช้ชีวิตมากๆจนทําให้ละเลยการปฏิบัติธรรมหนูคิดว่าหนูกําลังหลงในสุขและมันหาทางออกยากมากค่ะขอความเมตตาแนะนําค่ะก็ให้รู้ว่าสิ่งที่ทําให้เราสุขมันไม่เที่ยงนะเช่นเงินทองนิสสามีรืลูลกๆนี่มันไม่เทีย่ยงวันใดวันหนึ่งจะต้องมีเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นกับเขา ก็จะต้องเป็นโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเกิดเป็นโรคมะเล็งขึ้นมาด้วยเกิดไปฉีดวัคซีนแล้วก็ตายขึ้นมาความสุขที่เรามีอยู่มันก็จะถูกพังทลายไปเพราะสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนนนัมีการแปรปรวนดังั้นเราอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าความสุขที่เรามีอยู่ในขณะนี้มันจะเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา ถ้าเป็นความสุขที่เราอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบุคคลนั้นบุคคลนี้มาให้ความสุขกับเรายกเว้นความสุขอย่างเดียวที่จะให้ความมั่นคงให้กับให้เราได้อย่างต่อเนื่องอย่างถาวรก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบ น, นั้นที่เป็นความสุขที่เราสามารถที่จะมีความมั่นใจได้เพราะถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบได้เราก็จะสามารถรักษาให้มันอยู่ในความสงบ ไปได้ต่นอนอกนั้นแล้วจะเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะต้องมีการสิ้นสุดหรอือเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนจากคุณพีชครับกราบเรียนถามค่ะถ้ายังไม่ได้ความสงบสุขจากสมาธิจะเกิดความท้อใจก็ให้เราคิดว่าการสร้างตูมเราไม่ได้สร้างขึ้นในวันเดียวดังนั้นการก็ต้องพยายามอดทนพยายาม จเจริญสติแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเหมือนเด็กเ่ยเด็กที่จะลุกขึ้นมาเดินมาวิ่งได้ทันทีนั้นไม่มีหรอกเด็กก่อนจะเดินจะวิ่งได้ก็ต้องมีการหัดยืนหัดคลานเลยก่อนคลานได้สองสกก็ลุกขึ้นมายืนได้สองสากแล้วกลับลงไปคลานใหม่แต่เด็กก็ไม่ไ ม, ไม่ละใช่ไหพยายามทำไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ยืนได้ไม่ต้องคลานแล้วต่อไปก็เดินได้แล้วลต่อไปก็วิ่งได้ เพราะงั้นข้สิ่งที่เราต้องมีคือสองอย่างคือความเพียรพยายามสองความอดทนใจเย็นๆไม่ใช่ว่าจะทําปุ๊บได้ปั๊บไม่เหมือนกับเปิดสวิตไฟนะอันนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรพยายามและความอดทนมากถึงจะสามารถทําให้เกิดความสาเร็จขึ้นมาได้ คุณจุธารัตน์ครับกลาวในรัชการค่ะอาจารย์ถ้าฝันร้ายจะมีวิธีออกจากฝันร้ายนั้นอย่างไรคะกล่าวสาธุค่ะเวลาอยู่ในฝันเราออกไม่ได้หรอกมันทั้นนั้นจิตของเรามันไม่มีสติที่จะคอยสั่งให้มันหยุดไม่หยุดได้มันก็จะฝันไปตามเรื่องจริงเราจะตื่นขึ้นมาขอให้เราดู้เข้าแล้วกันว่าฝันร้ายนี่เป็นผลที่เกิดจากการกระทําบาปของเรา ถ้าเราไม่ตัางการะมีฝันร้ายมากก็พยายามละการกระทาบาตรแล้วพยายามหันมาทำบุญหรือหันมาทำสมาธิถ้าเราทำสมาธิได้เราจะฝันน้อยถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาตรเราก็จะฝันดีคำ ถ, ถามจากคุณพานุพงครับสิ่งมีชีวิตต่างๆเกิดมาเพื่ออะไรครับในเมื่อเกิดแล้วต้องเจอความทุกข์ความเสื่อมความดับ ไม่มีเพื่ออะไรหรอกมันเป็นเรื่องของเหตุผลของเป็นเหตุของผลฝนเวลาลมมันพัดเพื่ออะไรมันไม่ได้พัดเพื่ออะไรแสงสว่างของดวงอาทิตย์มันมันส่องแสงสว่างเพื่ออะไรไม่มีเพื่อหรอมันเป็นธรรมชาติของแต่ละสิ่งที่เขาเป็นของเขาเป็นอย่างนั้นเองลมก็พัดน้ำก็ไหลแสงอาทิตย์แสงสว่างก็ส่องแสงให้มีแสงสว่างต้นไม้ก็เกิดขึ้นมาตาม ที่มีดินมีน้ำมีลงมีไฟผสมปันมันก็เป็นต้นไมใ้ใบหญ้าขึ้นมามนุษย์ถ้ามีพ่อมีแม่มันก็ผลิตร่างกายผลิดโลกขึ้นมามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาทั้งตามเหตุตามผลไม่มีเพื่ออะไรคุณอภิน ญ, ญาครับขอากาบเรียนถามการเวลาสวดมนต์ก็ตั้งสติอยู่กับบทสวดมนต์ค่ะ แต่ถ้าเป็นบทที่จําได้แล้วก็ตั้งสติอยู่กับปากที่พูดหรืออย่างไรดีคะกราบน้ำส ก, การคะ่ะก็ดังอยู่กับกับกับบทที่เราสวดเลยหมายถึงว่าเราไม่ต้องดูหนังสือใช่ไหมเราไม่ต้องดูหนังสือก็ ก, ก็ทําไปในใจของเราก็ได้ไม่ต้องออกเสียงก็ได้หรือออกเสียงก็ได้แต่ให้มีสติอยู่กับบทสวดมนต์ที่มันอยู่ในใจของเรานนะั คุณซุตาสตาครับสมัยเด็กๆชีวิตในต่างจังหวัด ต, ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์เพื่อเอามาทํากินเช่นฆ่ากบฆ่าปลาเป็นต้นแบบนี้กรรมที่ทําตอนนั้นจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าไหมคะหนะ้าตอนนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องสี่ห้าคะ่ะกําทุกอย่างที่เราทํามันต้องส่งผลทั้งนั้นส่งช้าส่งเร็วส่งมากส่งน้อยก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำามาการือน้อยยัเมื่อเรารู้แล้วว่ามันจะส่งผล เราก็สามารถที่จะ อ, อย่าไปทำกรรมใหม่ได้เกิดกรรมใหม่เราไม่ทำเมื่อกลับเก่ามันมันหมดมันมันส่งผลหมดแล้วมันแล้วมันก็จะไม่มีผลผลของกรรมใหม่ที่เราไม่ได้ทำให้ให้เกิดผลขึ้นกับเราออดีตมันบ่านไปแล้วเรากลับไปแก้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราป้องกันได้ก็คืออย่าไปทำกรรมในตอนนี้ในใ น, ในปัจจุบันนี้ ในอนาคตพยายามทําทแต่กรรมดีอย่าทำบาปแล้วต่อไปผลของบาปก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วก็หมดไปในที่สุดอาจารย์ครับผมเคยอ่านหนังสือของสมเด็จพระสังฆราชองก่อนนะครับที่เป็นอุปชารอาจารย์นะครับท่านท่านเขียนหนังสือท่านบอกว่าถ้าทํากรรมไม่ดีแล้วเราทำกรรมดีเยอะๆเยอะๆเนี่ยมันเหมือนกับรถที่วิ่งแข่งมันคือกรรมนั้นจะตามเราไม่ทันอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ก็บุญก็เป็นเป็นเหมือนการชักขยี้กันนะครับถ้าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะดึงไปก่อนถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาบุญก็จะดึงให้ไปรับผลบุญก่อนไปเกิดเป็นเทพเป็นอะไรก่อนแต่ถ้าบาบมีกําลังมากกว่าบุญบาบก็จะดึงให้ไปรับผลบาบก่อนอย่างสมมติว่าถ้าตอนนี้เราเราคิดว่าเรามีบาบมากกว่าบุญเราก็รีบทาบุญให้มันมากกว่าบาบ บุญมากกว่าบาบาปก็ยังแสดงไม่สามารถดึงจิตให้ไปรับโทษของบาปได้เพราะบุญดึงให้ไปรับผลของของของบุญก่อนนั้นถ้าตาได้เราสามารถรักษาบาลานน์อันนี้ไว้ได้คือให้บุญมันมากกว่าบาปในใจเราไปเรื่อยๆบาปมันก็ยังจะไม่มีโอกาสที่จะแสดงนั่นเองครับ คำถามจากคุณแพตครับการเรียนถามค่ะพยายามจะเจริญสติด้วยการท่องพุทโธในใจแต่ยังคิดโนู้นนี่เลยพยายามท่องให้เร็วแต่ดูเหมือนจิตจะดึงให้การท่องเป็นไปตามจังหวะหัวใจเต้นเลยต้องท่องออกเสียงออกมาทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็ท่องไปเรื่อยๆใจเย็นๆอย่าไปอย่าไปออย่าไปกังวลกับความคิดที่ยังไม่หยุดเพราะว่ามันเหมือนกับโนว้วิ่งร้อยี่สิบ แล้เราเริ่มแตะเบรคมันไม่ใช่พอแตะเบรปั๊ปรบรถมันจะหยุดตรงนั้นทันทีมันก่อจะหยุดได้าบางทีครึ่งกิโลนะใช่ไหมเพราะมันต้องใช้เวลาให้มันให้เบรคมันทํางานแล้วก็ชะลอความเร็วของรถลงไปตามลำดับการจเจริญสติทําพุทโธก็เป็นเหมือนกับการเหยียบเบรคหยุดเบรคความคิดที่กําลังหมุนเตลูเหมือนในวิ่งอยู่บนทางด่วนนั่นแต่พอเราพุโทโธสองสามคำนี้จะให้มันหยุดคิดเลยทันทีมันเป็นแบบไม่ได้ มันก็จะแข่งกันมันก็จะมันก็จะคิดไปคิดไปแต่ถ้าเราพูดโธพูดโทมากขึ้นมากขึ้นความคิดมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแลในที่สุดก็จะหยุดได้แต่ต้องใจเย็นๆจะทําเร็วท่องช้านะีไม่เป็นไรแต่อย่าไปทําเพื่อให้ความให้จิตมันหยุดคิดเองตามมันไม่หยุดคิดตามความอยากของเรานั่นเราอยากไปอยากเพราะยิ่งอยากยิ่งทำให้เราเครียดยิ่งทําให้เราท้อไม่มีกําลังใจที่จะ ทำพุทธเราก็ต้องใจเย็นๆเพาะมันมีหน้าที่ทําพุโทโธก็พุโทโธไปความคิดมันมีหน้าที่คิดก็ฝันที่ไปแต่ถ้าต่อไปถ้าพุโทโธของเรามีมากขึ้นมากขึ้นความคิดมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปจากคุณพีชครับนักการเมืองทุจริตคอรรัปช่นและการและบริจาคเงินทําบุญเยอะเมื่อตายไปแล้วถ้าบุญและบาปของเขาเท่ากันจะได้มาเกิดเป็นคนเลยใช่ไหมครับ และเขาก็ไม่ต้องใช้กรรมจากการทุจริตโกงใช่ไหมคะถ้าพูดตามทฤษฎีกรรบุญบาปเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นช่วงที่บุญไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์บาปไม่สามารถดึงเราไปอาบาได้ก็เหลืออยู่การมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ส่วนเรื่องวิบากกรรมการทุจริตโกงนี้ก็ยังต้องใช้อยู่ใหเรามาเกิดหลายน่ราจะถูกคนอื่นเขาโกงเราก็ได้ เคยคิดบ้างไหมทําไมคนอยู่ดีๆเราถูกเขาโกงก็คิดว่าเมื่อก่อนชาติก่อนเราไปโกเข้าเรายังไม่ได้ใช้ใช้กรรมอันนั้นมันก็เลยต้องมาใช้ต่อในในภพนี้ชาตินี้อยูนมันมันการหนีไม่พ้นหรอกเรื่องการใช้ใช้บุญใช้บาปมันต้องเกิดขึ้นมันมันมันตามเราข้ามภพข้ามชาติบุญของเราที่เราทําชาติก่อนมันยังไม่เกิดอาจจะมาโผล่ชาตินี้ก็ได้ ไอ้ยอยู่ดีๆทาไมถูกวัตถุนี้ไ อ, อยู่ดีๆทําไมมีคนให้เงินให้ใหทองเราใช้ไปเลยก็คอยคิดว่ามันมันเป็นวิมเป็นผลของบุญที่เราทําไว้ที่มันยังไม่ได้มีโอกาสได้ส่งสผลมันมาส่งผลในชาตนี้ก็ได้เช่นเดียวกับบาปแต่คุณเปตองครับขออนุญาตสอบถามครับชาวพุทธควรศึกษาแต่คำของพระศาสดาหไหมครับเราสามารถศึกษาคำของภาษาบกได้ไหมครับ ได้ถ้าเป็นสาวกพระอริยสงารุจจริงเป็นพระสวส ด, สดาาาาาิ์พระสกิริกาพระนาคามีพระลานนี่ก็สอนเหมือนเดียเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกประการคุณท่าท้าครับกาเป็นถามพระอาจารย์ค่ะรู้จักคนคนหนึง่งชีวิตเขาลำบากมากตั้งแต่เด็กจนโตแล้ววันหนึ่งเขาถูกระวัลที่หนึ่งหมายความว่าเขามีทั้งกรรมเก่าและบุญเก่าถูกต้องไหมคะกาลนรสการ์ค่ะ ถูกต้องก็นี่แหละทั้งทำทั้งบุญกรรมก็ทําให้เราทุกข์ยากลำบากบุญก็ทําให้เราสุขให้เราสบายจากครูจอสครับน้อมการาบน้อมสักการณ์ท่านอา จ, รอ า, จารย์ด้วยความเคารพครับวันนี้ผมค่าขอท่านอาจารย์เมตตาชีนน้แนะเรื่องสีระัตตบารมาที่หมายถึงการลูกคำในสีนได้วยครับขอบคุณครับการลูกคำก็คือความไม่มั่นใจในสีว่า รักษาศีลแล้วจะดีจริงหรือไม่ในคือาการลบคำศีลก็คือจะทําให้เราลังเลไม่อยากจะรักษาศีลเพราะาเรารู้ว่าเวลาเรารักษาศีลนี่มันวิตลอนสิทธิ์ของเรามากทําให้เราไม่สามารถโกหกได้ไม่สามารถกงได้ไม่สามารถฆ่าสัตว์ตัดทิพย์ได้มันก็รู้สึกว่ามันทําให้การความชีพของเรานี้ยิ่งยากลำบากกว่าการ ต่อการไม่รักษาศีลเช่นเวลามียุงมาเข้ามาในห้องเราก็ตกมันทำคําจัดมันเพราะเราอยากจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายบางทีเราเงินทองขาดมือเร า, า จ, จะโกงบ้างอะไรบ้างอะไรทำนองนี้ถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็ทําได้เราก็เลยเห็นว่าการไม่รักษาศีล น, นี่มันดีกว่าการรักษาศีล น, นี่คือการลูกคาศีลสาหรับแต่สําหรับผู้ที่เขาเห็น โทษหรืเห็นพิษของการทําบาปนี้เขาจะไม่กล้าทําบาปก็จะรักษาสิ่เพราะเขาเห็นเห็นผลของการทําบาปนี้ทําให้ใจก็ไม่สบายสังเกตดูเวลาเราทําบาปใจเราไม่สบายทําบาปมากี่เดือนกี่ปีพอคิดถึงมันทีไรมันก็ไม่สบายใจทั้งทีนั้นไมันก็จะทําให้เราไม่ทําบาสดีกว่าไม่ทําบาบ่าสบายใจไม่เครียดไม่ต้องกันวนงวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ แล้นอกจากนั้นถ้าเชื่อคาําสอนพระเจ้าก็สอนว่าตายไปยังต้องไปรับผลบาปต่ออีกด้วยตายแล้วต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกอันนี้ถ้าเห็นผลของการทําบาปอย่างชัดเจนเช่นพระโสดาบั น, นท่านเห็นชัดเจนว่าจิตใจมันนั่นจะเป็นยังไงเวลาทําบาปจะทุกข์ตั้งแตขกระดปัจจุบันนั่ทุกข์ังจากที่ตายไปแล้วถ้านก็เลยไม่ทําบาป เขาไม่ทำบาปแล้วใจท่านสบายนี่คือการไม่รูปคําในศี่งท่านจะรักษาศีลงทาไปตลอดชีวิตคุณอ น, นุพงศ์ครับนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการว่างคําบริกรรมหายไปไปแต่ความว่างจนลืมคําบริกรรมเช่นพุทโธนี้ควรทําอย่างไรต่อครับถ้าว่างจริงๆก็ไม่ทำบริกรรมก็ได้ให้รู้ยให้อยู่กับความว่างไปความว่างก็คือความสง บ, บนะถ้ามันว่างมันก็ต้องสง บ, บ ว่ามก็ต้องไม่มีความคิดนะถ้ามีความคิดก็แสดงว่าไม่ว่างถ้ายัางมมีความคิดอยู่ก็ต้องพูดโธรต่อไปคุณหมูอ้วนครับหลังไหว้พระสวดมนต์กล่าวคําแผ่บุญกุศลถึงเจ้ากรรมในเวรแต่พอตอนกรวดน้ําพูดไม่ตรงกับสวดมนต์จะเป็นอะไรไหมคะไม่ใช่ไม่ทราบว่าพูดไม่ตรงกับสวดมนต์เป็นยังไงลองลองสองคำ คำถามเข้ามาใหม่พูดไม่ตรงกับการส่วนบุญเป็นยังไงคุณหมาเข้าใจไหมไ ม, ไม่เข้าใจ ถ, าถ้าที่ผมเข้าใจเหมือนกับว่าถ้าอ่าแผ่ส่วนบุญกุศลถึงเจ้ากรรมในเวรแต่พอตอนกวดน้ําเนี่ยพูดพูดไปคนละคนหรือพูดไม่ตรงกับคนเดิมงนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ไม่เข้าใจเดี๋ยวขอส่งคเข้ามใหม่นะครับ <S <S คุณเ<ม>ฟื่องครับสีข้อสามหากบกพร่องจะแก้ได้อย่างไรเจ้าค่ะ ก็อย่าทำมันเสียงวิธีใช้กาสิีลก้าสาังกปยาหมนพิจารณาสุภาพาพิจารณาสิ่งที่เป็นปฏิกูลในร่างกายบ้างคนเราไม่ว่าจะเป็นนางงามจักรวาลหรเป็นดาราหรืออะไรก็มีสิ่งปฏิกูลที่ถ่ายออกมาอยู่เรื่อยๆเช่นอุจจาระปัสสาวะหรือถ้ามองเข้าไปภายใต้ผิวหนังก็จะ ม, มีโครกรเดิมีลำไส้มีปอดมีตับมีไตอนะไรต่างๆแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วย อยูแต่ไม่ได้อาบน้ำทั้งวันสองวันก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้แล้วก็จะมีกิ่ที่ไม่พึงปรานากันให้คิดถึงสิ่งที่เป็นสปกปรกสิ่งที่ไม่สวยงามในร่างกายบ้างก็จะได้ละล ะ, ะการมาลงมให้น้อยลงเมือ่อละได้เราจะรักษาสินสินข้อสามนี้ได้อย่างง่ายดายคำถามจาคุณชุติครับ การเป็นฐามหลงพ่อค่ะการที่เราใช้วิธีดูจิตกับกายการเปลีนแปลในอารมณ์ต่างๆแล้วเราเรียนรู้จิตที่คิดทําพูดไม่โกหกตัวเองแต่ยอมรับมันว่าดีหรือชั่วเป็นไปเพราะอารมณ์แล้ววางทั้งอารมณ์และความคิดด้วยการยอมรับมันการทําแบบนี้ไปเรื่อยๆใช้แทนการนั่งสมาธิได้ไหมคะคือเป้าหมายของการปฏิบัตินี่ครับเพื่อให้เราควบคุมกายวาจาใจของเราให้เป็นปกติ คือไม่ให้พูดไม่ทําให้คิดในการที่จะสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเราถ้าเราสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีใดก็ได้ก็จบก็ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ฉนั้นเราควบคุมความโลภความโกรธ ค, ความหลงที่มีในใจของเราได้หรือไม่อันนี้ต้องถ้าไม่ได้ก็ต้องไปนั่งสมาธิแสดงว่าไม่ถ้าไม่มีสมาธิเรารับประกันได้ว่าไม่มีกําลังที่จะไป ทำลายความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้หรือแม้จะมีปัญญาปัญญาก็เหมือนมีดที่ไม่ได้รับไม่คมฟันเท่าไหร่ก็ไม่คมต้องต้องนับมีดของปัญญาด้วยสมาธิพอ ม, มีสมาธิแล้วมีปัญญาแล้วก็สามารถที่จะกําจัดอิเลสตัณหาความโลภความโกรธ ค, ความหลงต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปกําจัดความทุกข์ที่เป็นผลของ ของกิเลตัณหาให้หมดสิ้นไปได้อย่างสิ้นเชิงงั้นก็ดูที่ตรงนี้ก็แล้วกันอยู่ที่ว่าเรากำจัดกิเลสตัณหาได้หป่าด้วยการปฏิบัติที่เราใช้อยู่ในขณะนี้ถ้าใช้ได้ก็โอเค้ดูจิต ด, ดูกายแล้วก็ตัดความโลภได้ตัดความโกรธได้ตัดความหลงได้ก็ใช้ได้คาถามสกุลแสงวันครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าการที่เราใส่บาตรหมายถึงอาหารให้พระในตอนเช้าถือว่าทำบุญไหมเจ้าคะ และอุทิศบุญกุศลเหล่านั้นให้ญาติผู้ร่วมรับไปแล้วเขาจะรับไหมเจ้าค่ะกล่าวรัตการค่ะใช่เป็นบุญการถวายอาหารก็ดีถวายสังฆทานก็ดีเช่นถวายเจีวรถวายยารักษาโรคถวายกุฏิที่อยู่อาศัยนี้เป็นบุญแล้วก็ไม่หมาเอาว่าจะต้องถวายให้กับพระท่านั้นให้คนอื่นก็ได้ให้อาหารสุนัขนี่ก็เป็นบุญท้าที่อยู่ให้สนัขอยู่ก็เป็นบุญ เวลาสุนนอกไม่สบายพาไปรักษาให้หายก็เป็นบุญคือการทำความสุขให้แก่ผู้อืน่นนี่เรียกว่าเป็นบุญทั้งนั้นจากคุณโพธิยานครับน้อานัสกสการพระอาจารย์ครับผมมีความเข้าใจเบื้องต้นในการปฏิบัติคือหนึ่งสติให้รู้เท่าทาันอารมณ์ดีชั่วสองให้มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันสามปัญญาคือคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์สอนตนเองถูกต้องนะครับ จะว่าสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ก็ได้แต่สตินี้ให้มีไว้เพื่อให้หยุดอารมณ์มากกว่าทารู้เท่าทันอารมณ์นั้นหยุดนั้นไม่ได้ก็ป่วยกายหรือว่าอารมณ์ไม่ดีแต่หยุดนั้นไม่ได้นี้ก็หรือว่ากำลังโกรธนี่นั้นหยุดนั้นไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสติพอสตินี้ไว้เพื่อหยุดอารมณ์ต่างๆเพื่อให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิอยู่ในปัจจุบันได้ต้องใช้สติหยุด ใจสติเป็นเครื่องทำให้จิตมีสมาธิสมาธินี่เป็นที่ให้ความสุขกับใจเพราะสมาธิก็คือความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่นี่สมาธิส่วนปัญญาก็คือการเห็นว่าทุกอย่างเไปไ็นตายรับอันนี้ถูกต้องมีไว้เพื่อสอนใจเวลาเกิดเกิดกิเลสความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์เป็นตายรับเราก็จะไม่อยากได้ ท, ทันท คำถามจากคุณลิขครับอยากฆ่าตัวตายเพราะมีปัญหาหลายอย่างควรจเจริญทำยังไงเพื่อแก้ไขดีครับขอบคุณครับก็คือการแก้การฆ่าตัวตายไม่ได้แก้ปัญหาปัญหาของเราคืตอนนี้คืออะไรก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากเรื่องราวต่างๆซึ่งวิธีแก้ปัญหาความทุกข์ใจง่ายง่ายได้เพียงหยุดความอยากที่จะไปแก้ปัญหาต่างๆเมื่อแก้ไม่ได้ก็ปล่ันไปตามเรื่องของมัน ถ้ามันจะต้องติดคุกก็ติดคุกเมื่อมันจะต้องอะไรอมีอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปใจเราก็จะไม่ทุกข์เมื่อเราไม่ทุกข์เราก็อยู่ได้มไม่ต้องไม่ไม่ได้คิดฆ่าตัวตายความคิดฆ่าตัวตายนี้เพราะอยากจะหนีความทุกข์เท่านั้นเองซึ่งถ้าหนีด้วยการฆ่าตัวตายก็หนีไม่พ้นเพราะความความทุกข์มันอยู่ในมันก็จะตามไปกับใจเราต่อไปเดีย๋ยวไปเกิดใหม่ไปเจอปัญหาแบบเดิก็จะทุกข์ใจขึ้นใหม่ แล้วก็จะฆ่าตัวตายงนั้นวิธีที่จะทําให้เราไม่ได้ไม่อยากจะฆ่าตัวตายก็คือดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราตอนนี้ด้วยการหยุดความอยากต่างๆถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราก็ไม่ต้องไปแก้มันอยู่เฉยๆนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธแล้วก็ปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาของมันเองอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปเมื่อเราทำอะไรไม่ได้ เช่นเป็นมะเรงมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าเรารักษาไม่ได้แต่ใจถ้าใจเราไม่ทุกข์ใจเราจะไม่เดือดร้อ น, นกับปัญหาต่างๆที่เราเดือดร้อนเราะเราอยากจะไปแก้ปัญหาเราแก้ไม่ได้ mm hmm. เมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าเมื่อเราแก้ไม่ได้เราไปไ ป, ไปแก้มันทําไมก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องไปถ้ามันจะล้มละลายก็ปล่อยมันล้มละลายไปถ้าแฟนจะทิ้งก็ปล่อยให้แฟนทิ้งไป ถ้าใครเขาจะหมั่นไส้ใครเขาจะดุถูกดูแค้นเราก็ปล่อยให้เขาดูถูกดูแคนไปก็เท่านั้นเองเราก็จะไม่ทุกถ้าเรายอมรับ ก, กับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เราก็จะอยู่ได้แล้วก็นั่งยิ้มภายในใจถ้ามันอยากจะดูถูกมันเรื่องของมันร่างกายมันจะตายก็เรื่องของร่างกายเราเป็นใจเ ร, เราอยู่ที่ใจเราไม่เดือดร้อนอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาตา่างๆ คือปล่อยวางมั่นเออะไรจะเกิดก็ปล่อยมั้เกิดไปถ้าเราทําอะไรไม่ได้แล้วถ้าทาได้ก็ทําไปถ้าแก้ได้แก้แก้ไม่ได้ก็ยอมรับสภาพพวกจะปล่อยนี้ได้สบายเลยนะครับอาจารยนะ์สบายแล้วต่อไปจะไม่มีปัญหากับเราอีกต่อไปคํถาถามจกุลทิพวันครับ หนูอยากทราบว่าหนูได้ทาบุญใส่บัตรพระแล้วหนูก็ถวายไปพร้อมกับสังงทานชุดยาค่ะแต่ไม่ได้ไปถวายที่วัดแบบนี้จะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกได้บุญถวายที่ไหนก็ได้เห็นพระเดินมาก็ถวายท่านได้เลยหรือไม่ถวายพระให้คนยากจนก็ได้เห็นตอนนี้มีคนเขาขาดแคลนอาหารเดือดร้อนจากน้ําท่วมหรือเดือดร้อนจากอะไรเพื่อนบ้านเราท่านเขาไม่มีข้าวกินก็เอาข้าวไปเห้กิน ก็ได้ถ้่ากันได้ทำบุญใสบ่บ้านได้บุญเหมือนกันคุณสันติครับการรัฐ ก, การไม่ทราบว่าพิจารณาความรู้สึกว่าเป็นกายแหน่อันนี้ในลนักษณะว่าเป็นสัญญาอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปได้หรือไม่อย่างไรครับกราบขอบพระคุณครับเอเราไม่ต้องการพิจารณาสัญญาต้องตั้งพิจารณาเห็นว่าร่างการความจริงมันเป็นยังไงความจริงก็คือมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ไม่มีใครมาควบคุมบังคับมาห้ามมันได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์เท่านั้นเองถ้าเราจะไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายนี่คือลักษณะของการพิจารณาร่างกายคุณทวีครับถานำ้ำชาการครับถ้าจำเป็นต้องทานยาฆ่าเชื้อจะผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับจะต้องวางใจอย่างไรครับ ออไม่ผิดหรอเชื้อโรคนี่ไม่ถือว่ามีวิญญาณไม่มีวิญญาณคำถามจากคุณรินครับการทําพานิพานให้แจ้งเป็นมงคลอันอุดมนั้นคือการทําจิตให้ว่างที่เรียกว่าสุญญาตาใช่ไหมเจ้าคะเมื่อจิตว่างก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าที่แท้แล้วไม่มีเราไม่มีของเราอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะทําจิตให้ว่างจากกิเลส ไม่ใช่ว่าว่างแล้วแต่ก็ยากไปโลกไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากได้ลาบลดเสร็เสริญอยู่อย่างนี้ก็ไม่ว่างจริงแต่ว่างจริงแล้วต้องไม่มีความโลภไม่มีความอยากไม่มีความหลงไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดจากคุณนัทคัดการรัศสการเรียนถามว่าทําไมเราทํากรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลกรรมนั้นแบบนี้ถือว่ากรรมอยู่นอกเนื้อกดตจลักษเป็นอัตตาไหมคะ กรรมกรรมก็เป็นเรื่องของกรรมกรรมก็คือทําอะไรไว้เช่นเราเคาะคระฆังนี้อะไรจะเกิดขึ้นเสียงมันก็จะตามมาใช่ไหมอันนันะ้นเป็นธรรมชาติมันไม่เกี่ยวกับตายรักม่นไม่ตายรักนมันเป็นความจริงของเขาเป็นอย่างนั้นทําบาปแล้วทําให้ใจร้อนทำบุญแล้วทําให้ใจเย็นอันนี้คือความจริงเหมือนกับที่พระเจ้าบอกว่า อ, อกรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับรอย รอยรอยเกวียนเนี่ยลอยเกวียนมันหมุนไปทางไหนรอยลอยของรอ้อเกวียนมันก็จะตามไปมันเป็นเรื่องของเหตุของผลมันไม่มันไม่เรื่องของไตรลักมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสิ่งที่มันเป็นอยู่ของมันเป็นอย่างนี้จากคุณเปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์นะครับถ้าเราสวดมนต์แต่ไม่ตั้งนธโมจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นหรอกก็ไม่ได้ตั้งเั้นงอ่ง คุณอิสรีครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ขออนุญาตสอบถามข่าในเรื่องของการเกิดในแต่ละชาติการเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีกรรมอะไรเป็นเหตุและเราจะปรารถนาเป็นผู้ชายเพื่อบวชต้องสร้างกรรมอะไรขอบคุณค่ะคือจิตของเราเนี่ยมันมีมันมีความชอบ <c oughs> มันมีความชอบเช่นผู้ชายนี่ก็ชอบผู้หญิงชอบความแข็งแกร่งชอบทําอะไรแบบ อดบึกบืนอะไรทำนองนี้นี่คือลักษณะของจิตที่จะมาเกิดเป็นผู้ชายส่วนจิตเป็นผู้หญิงก็ชอบผู้ชายแล้วก็ชอบของอของสวยๆ ง, งามอะไรทำนองของปราดีอันนี้ก็เป็นจิตที่จะเป็นเป็นผู้หญิงเวลาไปเกิดก็จะไปได้ร่างกายของผู้หญิงถ้าจิตเป็นผู้หญิงถ้าจิตเป็นผู้ชายก็จะไปได้ร่างกายของผู้ชาย แต่ทีนี้มันอาจจะมีปัญหาทางด้านอุบัติเหตทุทางธรรมชาติ <c oughs> คือจิตที่เป็นผู้หญิงดันไปได้ร่างกายของผู้ชายครับแล้วก็เลยเรียกเขาว่ากระเทยหรือจิตของผู้ชายไปได้ร่างกายของผู้หญิงครับแต่ในใจเขาก็เป็นผู้ชายแต่เขาได้ร่างกายของผู้หญิงแต่เขาทาตัวเหมือนผู้ชายใช่ัหม <c oughs> ที่เราเรียกว่าทำ เนื้อเงื่อนผู้ชายผู้หญิงไปได้ร่างกายของผู้หญิงผู้ชายแล้วทำตัวเป็นเป็นผู้เป็นเหมือนผู้หญิงทาเป็นเหมือนกระเทยเองี้ยแล้วพราะจิตของเขาเป็นผู้หญิงเขาชอบเป็นผู้หญิงเขาชอบก็อยากจะมีแฟนที่เป็นผู้ชายแต่ทางทางเวลาไปเกิดมันอาจจะมีอุบัติเหตุในในเรื่องของทางธรรมชาติเหมือนกับการผลิตสินค้าเนี่ยบางอย่างสินค้าบางอย่างก็อาจจะมีความบกพร่องได้ใช่ไหม เพราะคิวซ <Q C> อาจจะไม่ดีก็ได้ควาที่รอาจจะทําให้จิต ข, ขาดขาดขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ไปนะทาให้มันไม่สมบูรณ์ขึ้นการมาเกิดก็เหมือนกันบางทีจิตผู้ชายไปได้ร่างกายของผู้หญิงเข้ามันก็เลยทําให้เขาเป็นกระเทยไปหรือจิตผู้หญิงไปได้ไดร่างกายของผู้ชายก็ทําให้เขาเป็นกระเทยไปแต่ความจริงไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรผิดแปลจิตเขาก็ยังเป็นจิตของผู้หญิงอยู่หรือเป็นของผู้ชายอยู่ นี่เราต้องเข้าใจนี้่เราเราจะได้ไม่ไปรังเกียจเขาก็เราต้องยอมรับเขาว่านี่เป็นสภาพความเป็นจริงของเขาเขาเป็นผู้หญิงแต่เขามีร่างกายของผู้ชายเขาเป็นผู้ชายแต่เขามีร่างกายของผู้หญิงท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจหลักของจิตแล้วเราจะไม่มีความรังเกียจใครเราจะเข้าใจว่าเขาก็เหมือนเราหแต่ว่าเขาโชคไม่ดีเขาไปได้ร่างกายที่ไม่ตรงกับสเปคที่เขาต้องการ มีคําถามบอกว่าถ้าเขาอยากชาตินี้เขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาปรารถนาว่าชาติหน้าอยากเป็นผู้ชายต้องทํากรรมอะไรไหมครับอาจารย์ครับก็เป็นผู้หญิงต่อไปแล้วเดี๋ยวก็ชาติหน้าก็ก็จะก็จะได้เป็นร่างกายผู้หญิงต่อไปถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเปร่างกายของผู้ชายเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีมีอุบัติเหตุเหมือนกับฉีดวัคซีนเนี่ยบางคนฉีดวัคซีนแล้วก็มีปัญหา ก, ก็ได้มันคนก็ไม่มีปัญหาก็กต้องยอมรับ ว, ว่าอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็ต สิ่งอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไร100ร้อยเอร์คุณธนัทพลครับการบำเพรญกาจครับในขณะที่นั่งสมาธิโดยใช้ภาวนาพุทโธพอความคิดมันผุดขึ้นมาเราต้องทําแค่มั่นคงอยู่ในคำภาวนาใช่ไหมครับหรือต้องปฏิบัติอย่างไรครับขอความเมตตาครับใช่เราก็ต้องพุทโธต่อไปเรื่องไปสนใจกับความคิดเดี๋ยวขอกลับไปไปพูดเรื่องการมาเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายนิดหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้จิตเราเป็นผู้หญิงเมื่ออยากจะเป็นผู้ชายเราก็ต้องเปลี่ยนจิตเราใหม่<ะ>บังคับจิตให้เรามาชอบแบบผู้ชายก็ชอบผู้ชายก็ชอบทอระหดอดทนก็ชอบออกกําลังกายเขาชอบเล่นกีฬาเขาชอบอะไรเราก็ต้องมาทําแบบนั้นซึ่งสมัยนี้ก็มีผู้หญิงบางคนใช่ไหมที่มาเล่นกีฬามาเพาะกายอะไรต่างๆเหล่ า, านี้เขากำลัง<ะ><ะ>จะฝึกเป็นผู้ชายขันไดต่อไปเขาก็ชาติหน้าต่อไปจิตของเขาพอเป็นผู้ชายแล้ว เขาก็จะไปได้ร่างกายของผู้ชายต่อไปเช่นเดียวกับผู้ผู้ชายที่อยากจะเป็นผู้หญิงก็ปรับตัวเองใหม่อาจทำตัวให้เหมือนผู้หญิงอัดปรับจิตของตนให้เป็นเหมือนผู้หญิงต่อไปก็จะได้ร่างกายของผู้หญิงเปลี่ยนได้เหมือนกันเราถนัดมือขวาแต่เราอยากจะใช้มือซ้ายเราก็อาจใช้มือซ้ายไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะถนัดซ้ายเองแล้วก็เลิกใช้มือขวาได้ใช้มือซ้ายแทนมันอยู่ที่การฝวดสบจิตของเราเท่านั้นก็คืข้อกลับไปเพียง จิตเราเปลี่ยนได้เราสามารถโดยที่เราจะบังคับมันจิตเราตอนนี้เอวียนว้ายตายเกิดเราก็เปลี่ยนใหามันไม่เวียนว่ายตายเกิดแต่เวลาจะเปลี่ยนนี่มันยากเพราะมันฝืนาฝืนกระแสของของจิตมันเองจิตเคยคิดเคยทาอะไรอย่างนี้พอให้มันเปลี่ยนทํามันก็จะรู้สึกยากๆมันก็อาจจะต่อต้านในเบื้องตน้นแต่ถ้าเราไม่ไม่ยอมหยุดพยายามต่อไปมันก็ จ, จะยอมเราเอง ับมาครับพอดีอันนี้ตอบไปแล้วพอพูด<ะ>โทรกับความคิดผุดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพูดโทรต่อไปคุณพีชครับคนข้างบ้านส่งเสียงดังรบกวนมากในตอนกลางคืนเราควรโทรแจ้งตำรวจมาตักเตือนเขาแต่เขาก็โกรธเราควรจะพูดโทรหรือสวดมนต์ไปไม่ไปเกาะเวรกับเขาทำย่งังไยก็ดีที่สุดถ้าเราต้องการแผ่เมตตาให้กับเขานี่ก็คือวิธีแผ่เมตตา เรามักจะสวดเอาเวลาหงุดหสปเปสปตาเจ้าอย่ามีเวรกันเถิดเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมีเวรกับเขาเขาปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเขาเองหรือถ้ามันดังเราก็าหาอะไรมาอุดฟูไว้ก็แล้วกันคิดว่าเป็นเป็นกรรมของเราที่มาอยู่ตรงนี้ถ้าเราคิดว่าทนไม่ได้เราก็ย้ายบ้านไปก็แล้วกัยย น, กนแต่อย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครละดีที่สุดเพราะมันจะไม่จบมันจะกลายเป็นหนังยาว พอเราไปทําเขาเดี๋ยวเขากลับมาทําเรานุ่นแรงกว่าเก่าอีกเราก็ทํานุ่นแรงกับเราเก่าแล้วก็จะไปทํานุ่นแรงกว่า เ, า เ, าเาก่ก า, เาเองมันก็เป็นเรื่องเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวนะเดี๋ยวว่า ก, กลายเป็นสงครามฆ่าฟันกันตายไปในที่สุดคุณพิพวันครับขอถามอีกนะคะว่านิสัยของพระโสดาบันต้องมีศี่ห้านำทางใช่ไหมคะคือไม่ใช่นิสัยแล้วมันเป็นปัญญาของพระโสดาบาล เห็นว่าการทำบาปนี้เป็นเหมือนกับอาบินมาขีดมื่อขีดมามาทิ้นมาแทงตัวเองการทำบาปนี้ก็เป็นเหมือนกับเอาความทุกข์มาทิ่นทิ้นแทงใจัไม่มีใครอยากจะมาเอาความทุกข์มาใส่ใจกันหรอกังนั้นเพียงแต่ไม่รู้ว่าเวลาที่เราทุกข์นี่มันเกิดจากการทำบาปของเราท่านเองแต่พระโสดาบันท่านจะรู้ท่านจะเลยรักษาสีลห้าไม่ทำบาป เมื่อไม่ทำบาปท่านก็จะไม่ได้เอามีดมากีดใจของท่านเอาทุกมากีดใจของท่านคุณกัญยรัตน์ครับกลาบเรียนถามอาจารย์ค่ะเคยทำบาปมาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สบายใจเสียใจเหมือนกับที่เราเคยทำกับคนอื่นและเรารู้สึกว่าเราได้ใช้กรรมไปแล้วและก็ไม่ทุกในเรื่องนห้นอีกแล้วถือว่าเราใช้กรรมหมดไปหรือยังคะก็แล้วแต่ว่ามันจะโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าตอนนี้มันอาจจะสบตัวลงแล้ว ถ้าอาจจะมีเหตุการณ์หรือมีอะไรมาสกิดใจเราขึ้นมาเองว่าใจเรายังจะทุกข์กับมันหรือเปล่าก็ต้องก็ต้องดูไปเรื่อยๆอคุณซุกตานะครับอันนี้แจ้งพระอาจารย์ครับหลังจากที่หนูได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์หนูเข้าใจธรรมะมากขึ้นมากๆค่ะตอนนี้หนูหันมาถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดมดยุงไม่ตีแล้วค่ะทุกวันพระก็พยายามรักษาศีลแปดให้ได้ค่ะและพยายามนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันค่ะ ก็ยินดีด้วยสาธุทาให้การมาเน่าพูดมาคุยกันนี้ไม่ไม่เปล่าประโยชน์ทำให้ทาให้ผู้ผู้ฟังได้รับประโยชน์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนก็ดีใจด้วยสาธุคุณซ่อเขียวหวานครับกาบเดยนถามค่ะปัจจุบันคุณแม่แก่มากแล้วท่านมักเป็นทุกข์และกังวลเรื่องลูกคนโน้นคนนี้ไม่มาหากลัวลูกจะทิ้งบ้าทำให้เราเป็นทุกข์ตามไปด้วยจะปล่อยวางยังไงดีคะ ก็เป็นเรื่องของท่านเนี่ยเราก็ยากท่านเขาเป็นท่านเราใจของท่านเป็นผู้ผลิตความทุกข์ขึ้นมาเองเราเราก็ไม่ได้เป็นผู้ไปทำให้ท่านทุกข์น้เร า, าก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยท่านทุกข์ไปอนอกจากว่าถ้าท่านมาขอคำปรึกษาว่าจะทำยังไงดีเร า, าก็สอนให้ท่านปล่อยวางว่าอย่าไปหวังอะไรจากใครเลยหน้เขาจะมาก็มากเไม่มากก็เรื่องของเขาถ้าเรากินอย่างนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์ แล้วเราต้องยากว่าเป็นเรื่องของของของของแต่ละคนความทุกข์ของแม่ก็เป็นเรื่องของแม่แม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาเองเราก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากว่าถ้าแม่ต้องการให้เราถามเราวิธีที่จะแก้แล้วก็บอกท่านไปว่าหนูไม่เห็นทุกข์เลยทำไมหนูไม่ทุกข์เพราะหนูไม่ได้หวังอะไรจากพี่อยาก น, อน้องแม่ก็ทําเหมือนหนูเสิแม่ก็อยากไปหวังอะไรจากเขาสิก็จะมาไม่มาก็เรื่องของเขาไปแม่ก็จะไม่ทุกข์ คุณเจนจีราครับหลวงตาคะหนูเคยเอาน้ําร้อนลวกมดแดงตอนยังเด็กๆ เ, เรียนประถมโกรธที่มันกัดทุกวันนี้ยังรู้สึกผิดในใจทุกครั้งที่นึกถึงตอนนี้ก็สดมน์แผลไม้ตาขอโอโหสิกรรมพอจากทุกเราเบาบางลงได้ไหมคะหลวงตาช่วยแนะ น, นําแนวทางให้หนูหลุดจากความไม่สบายใจตรง น, นี้หน่อยค่ะคือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนี่ยมันจะต้องส่งผลให้กับเราไม่ช้าก็เลยวันใดวันหนึ่งอย่าไปกังวลยอมรับยอมรับโทษ ที่จะตามมาเร้าใจเราก็จะไม่วุ่นวายใจใจก็เราก็จะสงบแต่ถ้าเรายังไม่ยอมยอมรับโทษกลัวจะต้องมาไปรับโทษมันก็จะทําทให้เราวุ่นวายใจไปไม่รู้จักจบจากสิน้นงั้นยอมรับอยอมสารภาพเสียทำผิดแ ล, ล้วจะทำจะลงโทษยังไงก็ยินดีท่านนี้ก็จบแล้วใจเราก็จะสบายคุณจีรศักดิ์ครับแสดงว่าถ้าเราจะไปนิพพานได้ต้องบวชอย่างเดียวใช่ไหมครับหลวงพ่อ ถ้าบวชได้มันจะได้ไปเร็วไงง่ายก็เหมือนขับรถระหว่างอยู่บนทางด่วนไงอยู่ใต้ทางด่วนนี้อย่างไรจะไปเร็วกว่ากันในการบวชก็เป็นเหมือนกับการขึ้นทางด่วนการไม่บวชก็เหมือนอยู่แต่ขับรถอยู่ใต้ทางด่วนถ้าอยู่ใต้ทางด่วนมันมันก็มีรถเยอะมีแยกสี่แยกเยอะมีไฟแดงเยอะมีอะไรการจราจรติดขัดเยอะกว่าทําให้การไปถึงหยุดมาปลายทางนั้นช้ากว่าใช่ไหมเข้ามีทางด่วนไม่ทําไมบอก ไไมีไว้เพื่ออำนว<ะ>ยความสะดวกในการเดินทางใช่ไหมการบวชก็มีการอำนวยความสะดวกในการไปนิพพานนี่แต่ไม่จําเป็นไม่หมครับว่าจะต้องบวชถึงจะไปนิพพานได้เป็นคาวราวะก็ไปได้แต่ใาาจอาีกหลายอีกหลายชาติก็ได้ชาตินี้อาจจะไปไม่ถึงก็ได้เวลาไม่พออาจจะต้องไปต่ออีกอีกหลายชาติก่อนจะไปถึงจุดปลายทางแต่ถ้าขึ้นทางหลวงนัา่นานี่มัน ก็เหมือนกับที่พู้เจ้ารับประกันเพราะผู้เจ้าเป็นคนขายตั๋วทางด่วนนะถ้าคุณขึ้นทางด่วนนี้รับประกันได้คุณไปถึงจุดหมายปลายทางไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอย่างแน่นอนคุณตวงฤทิ์ครับสอบถามพระอาจารย์ครับผมเคยได้ยินว่าการเกิดเป็นคนนี่ยากมากจริงหรือเปล่าครับก็คนนี่มีน้อยกว่าสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมมดแมวแมลงปลาเปอะไรนี่มันโอนับจํานวนไม่ช้วน แต่มนุษย์นี่รายยังพอนับจํานวนได้และการเกิดของมนุษย์แต่ละครั้งนี่มันก็ต้องมีพ่อมีแม่แล้วเกิดได้ส่วนใหญ่ก็เกิดได้ทีละคนนั่นเองนอกจากมีการผสมเทียมอาจจะเกิดได้สามสี่คนห้าคนแต่สัตว์นี่เวลาเขาเกิดเขาเกิดเกิดเป็นคอกเนี่ยมันก่อนมีมา้ามีม้าตัวหนึงเกิดมาได้ปีปากก็ตั้งท้องแนละ้ตั้งท้องแล้วปั๊บเดียวออกรุกมาแปดเก้าตัวน เรืการเกิดเป็นสัตว์เร็วช้ามันง่ายกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์คุณกมลธรรมครับการใช้ชีวิตประจําวันมีคนทําให้โกรธรู้สึกแน่นหน้าอกรู้สึกว่าความโกรธหงุดหงิดอยู่ตลอดควรแก้ไขยังไงคะวิธีลดความโกรธก็คืออย่าไปอยากได้อะไรจากใครอย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปต้องการอะไรจากใครอย่าไปต้องการให้คนเขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อย่าไปยุ่งกับเขาพูดง่ายๆ ไว้ให้คนไว้ให้สิ่งตา่างๆเป็นไปตามเรื่องของเขาเราอย่าไปอยากได้อย่ากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วความกวนเราก็จะเบาลงคือทําใจให้เราเป็นสั น, สนโดษยินดีตามมีตามเกิดเขาจะดีกับเราก็โอเคเขาจะช่วกับเราก็โอเคเขาจะเลืนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เราก็ได้เขาจะโยกย้ายเราไปอยู่ที่นู่นที่นี่ก็ได้ยินดีไปหมดอยงนี้เราจะไม่มีความกวดเกิดขึ้นในใจเรา คุณธิตยาครับพระอาจารย์เจ้าคะผู้ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติแค่ศีลห้สามารถถึงพระนิพพานได้ไหมเจ้าคะถ้าปฏิบัติธรรมถึงขั้นปัญญาลัสังโยชน์ได้ก็ก็ไปถึงนิพพานได้ศีลเป็นเพียงแต่ผู้สนับสนุนศีลถ้า น, 5, นี่สู้ศีลแปไม่ได้ศีลแปด น, 8, นี่สู้ศีลสองร้อยยีเจ็ไม่ได้ว่าพ ล, ลังที่สนับสนุนการปฏิบัติธรรมนี้ต่างกันนั่นเอง คุณวัชรพรครับกาเวียนถามครับ <c oughs> การที่จะทําบุญหนึ่งร้อยวันให้กับญาติที่เสียชีวิตจําเป็นต้องทําที่บ้านไหมครับเพราะจะไปทําที่วัดหรือครับทาได้ทุกแห่งที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้ที่ไหนก็ได้เพราะการทำบุญนี้ทําที่ใจเป็นหลักใจเป็นผู่กระทําบุญสถานที่ที่ร่างกายไปนั่งทํานี้นไม่สําคัญขอให้เราทําที่ใจคือใจเราต้องต้องยินดีที่จะเสียสละแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น เช่นนั่งอยู่บนเครื่องบินเราอยากจะทําบุญน้อยวันล้วก็ถ้ามีทัพท์มือถือแล้วก็โอนเงินไปให้กับวัดเขาเลยก็ได้ไม่ต้องไปที่วัดเองก็ได้ก็ถือว่าได้ทําบุญแล้วคุณพีทครับทําไมการฆ่าตัวตายจึงเป็นบาปทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ไปฆ่าผู้อื่นครับก็ก็เป็นการเป็นฆ่าชีวิตเนี่ยชีวิตของใครก็ถือว่าเป็นบาปทั้งนั้นแล้วยิ่งบาปบาปมากเพราะละ การที่เรามาฆ่าร่างกายเราเองนี่แสดงว่าเราโง่ามากเราหลงมากการไปฆ่าผู้อื่นนี้ยังพอจะมีเหตุมีผลว่าเออมันเขาอาจจะมาทําร้ายเราเราก็เลยไปฆ่าเขาแต่การมาฆ่าร่างกายของเราซึ่งป ก, กตินี่เราจะไม่เราจะร่างร่างกายเรายิ่งกว่าร่างอย่างอื่นใช่ไหมแต่ถ้าเราถ้าเราฆ่าตัวตายนี้ก็แสดงว่าเราหลงมากความหลงนี้ก็เรียกว่าบาปมาก คุณนุชคุณแอตเทนนะครับนำ้ำพระสการพระอาจารย์ขา่าหนูมีความทุกข์ที่ใจและหนูทราบ ถ, ถึงสาเหตุและตอนนี้หนูพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแต่คนที่หนูรักและเขาลบเขาไม่มองจุดเปลี่ยนหนูเลยหนูควรทําใจยังไงให้สงบไม่คิดน้อยใจได้บ้างคะก็อย่าไปทําเพื่อให้เขาเห็นเราเ่ยเขาจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรืเร่องของเราเราทำเพื่อให้เราให้ใจเราดีขึ้นให้ใจเรามีความสุขมากขึ้น ถ้าเรายัางไปหวังให้คนนั้นคนนี้เห็นเราแล้วยิน ด, ดีกับเราเราก็จะเสียใจยได้ถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยนั้นอย่าไปไปไปเปลี่ยนเพื่อให้คนอื่นเขาเขาเห็นหรือว่ า, วาให้เขามาแสดงความยินดีอันนี้ไม่ใช่เราเปลี่ยนเพื่อตัวเราเองเปลี่ยนเพื่อให้ใจเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นส่วนเขาจะเห็นหรือไม่เห็นนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ไม่มีส่วนที่จะมาทําให้เรามีความสุขมากขึ้นและทุกมากขึ้น ใจว er ่าเราต่างหาความอยากของเราต่างหาที่ทําให้เราทุกข์มากขึ้นอยากให้ก็เห็นแล้วพอก็ไม่เห็นก็เลยทุกข์ขึ้นเลยทั้งนี้คุณลักสมณ์ครับเอาศพคนตายสวดยี่สิบนาทีแล้วเผาเลยไม่สวดสามวันได้ไหมคะได้จะจะกำจัดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะคนตายแล้วก็ก็มีแต่จะเน่าทั้งนี้ถ้าถ้ากําจัดได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ทางอิสาเอลก็ถึงให้รีบฝังภายใน24ชั่วโมงเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในทะเลทรายอากาศมานร้อนตึ้งเสาไม้น้ันก็จะขึ้นอื่นมันจะมันจะเน่าผุได้เร็วเขากเลยให้รีบทำฝังภายใน24ชั่วโมงคุณคันชิกครับคนที่เกิดมาในตระกูลที่รวยเพราะอะไรครับมันก็ส่วนหนึ่งก็คือได้ทำบุญมามากอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย ตอนอนี้การจะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิแท้แต่ก็เป็นพระเวชสรรดอรพระเวชสรรดอรก็ทำบุญมากอันนี้สรงของบุญที่ท่านทำเลยส่งให้ท่านมาเกิดเป็นลูกของคนรวยเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินคุณกนกวรรณครับกราบพระอาจารย์โยมขอเรียนถามในการเป็นเกษตรกรต้องกําจัดเพลี้ยหรือมดมแมลงไม่อย่างนั้นผลผลจะไม่ออกหรือพืชผักตายเป็นบาปและผิดศีลไหมคะ เป็นบาปแล้วะผิดศีลอนที่สองคนของบาปนี้ก็จะทําให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเราเราเร า, เราบาปเพื่อเลี้ยงปากเลีเ้ยงท้องซึ่งเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเขาว่าฆ่าเขาว่ากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อเพื่อการอยู่รอดของเขาถ้าเราไม่อยากจะเป็นเดรัจฉานเราก็อยากไปําจัดเพืยอไ ม, อม่หมาแมลงหรือเปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนอาชีพไป คุณปอลโล่ครับคุณเปาโลครับกล่าวตักราชการพระคุณเจ้าครับชีวิตที่มีความวิตกกังวลเป็นห่วงนูงน่นนี่เราควรปฏิบัติทางไหนให้รู้สึกคลายความกังวลและเป็นห่วงนู่นนี่ครับเราต้องพยายามมองความจริงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการเกิดในการแบบที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไนดะ้ เราต้องทำใจยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงการแปรปลวยนของสภาพต่างๆแล้วเราก็จะไม่วิตกไม่กังวลกัอบอะไรอะไรจะเกิดก็เกิดเหมือนกับเพลงฝรั่งที่ก็ถามให้เรามาเคเซเซลาเพราะถ้า will be, will be. เม e อย่างนี้เด็กจะถามแม่ว่าหนูขึ้นหนูโตขึ้นหนูจะเป็นอะไรหนูจะมีความสุขมีแฟนดีอะไรหรือเปล่า แม่เขาก็ไม่รู้แม่ก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดเถอะลูกอย่าไปกังวลกับมันเลยอนาคตมันมันคดไปคดมาน่ะกว่าอนาคตก็คือมันคดไปคดมามันไม่ใช่เป็นทางตรงแสดงความจริงฝั่งหลังเขาเขาเข้าใจอรือจังกันนะครับอาจารย์ใช่คนเราเข้าใจเยอะเพียงบางทีมันมันเป็นเป็นเป็นความจริงซึ่งบางคนเขามีปัญญาเขาก็เห็นครับ บางคนไม่มีปัญญาก็เอาไปคาดหมายว่าอนาคตของฉันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นนนแล้วพ อ, อมาคิดอีกทมันอาจจะไม่เป็นก็เลยกังวลขึ้นมาเพราะเราไปกําหนดอนาคตเองแล้วไม่ควรไปกําหนด อ, อนาคตเองอนาคตอเราไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้มีใครรู้บ้างว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นพระอาทิตย์จะขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่เราคิดว่ามันจะต้องขึ้นเพราะมันเคยขึ้นมาแต่วันนี้ขึ้นนี้อาจจะมีวันเป็นวันสุดท้ายของพ้ะอาทิตย์ก็ได้ พรุนี้อ่จจะไม่มีาพาธที่เกิดขึ้นมาก็ได้มีใครบางคิดว่าจะมีโควิดมีโควิด19มามามามาแพร่อยู่ในโลกนี้ไม่มีใครคิดมาก่อนมันก็เกิดขึ้นได้คนระับเ้นเราต้องยอมรับสภาพว่าอนาคต น, นี้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเน้นพยายามทําใจรับกับการไม่แน่นอนให้ได้แล้วเราจะสบายใจ สคุณ อ, อมมี่ครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลากรวดน้ําลงดินและแผ่เมตตาให้เทวดาเจ้ากรรมนายเวสประศาย์ทั้งหลายหลังจากนั้นจะรู้สึกขนลุกแสดงว่าเขาเหล่านั้นมารับส่วนบุญหรือเปล่าคะขอบพระคุณค่ะบอาแม่เนาะมันเป็นมันเป็นอาการของจิตเราซึ่งบางทีเราทําอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันถูกใจเรามันก็เกิดขนลุกซ่าเหมือนกับเวลาที่เราบางทีเราได้เห็นดาราที่เรารักเราชอบเราก็ตื่นเต้นน้ําตาไหลอะไรขึ้นมาทำเน อั น, นี่เป็นเป็นเป็นกิริยาการของจิตเราต่อาการกระทํำของเราท่านเองให้เกี่ยวกันเรื่ความจริงเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้เขาก็อยู่ของเขตามเรื่องของเขาเขาไม่มารับส่วนบุญเรื่องของเราหรอกนอกจากดวงวิญญาณที่หิวโหยที่ขาดอาหารเขาอาจจะมารอรับส่วนบุญก็ได้เท่นั้นเอง คุณอิสเีครับไม่ทํำบาปอะไรแต่เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เคยให้อะไรกับใครไม่มีน้ําใจหากตายแล้วจะจิตจะไปอยู่ที่พบไหนคะถ้าไม่ทํำบาปก็ไม่ไปอบายถ้าไม่ทําบุญก็ไม่ไปสวรรค์ก็เลย อ, อยู่พบเดียวก็กลับมาเกิดเป็นคนเหมือนเดิมคนเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมแต่จะเกิดด้เมื่อหไหร่มนูนะอยู่ที่คิวมันยาวนะอาจจะเป็นดวงวิญญาณรอไปก่อน พรการมันได้มันเกิดเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากเพราะดวงจิตดวงวิญญาที่จะมารอเกิดก็คุณจะมีเยอะกว่าร่างกายที่จะรองรับได้คุณภารัตครับกราบนัศกศึกษารพระอาจารย์ครับการทําใจกับเรื่องยากที่ยากต้องยอมรับความจริงมีความจําเป็นอย่างไรเพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับถ้ายอมรับความจริงได้มันก็จะไม่ทุกข์มันจะเป็นความสุขถ้ารับไม่ได้ก็จะทุกข์ จะยากไม่ยากก็ต้องทำให้ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์คุณพันสนิตครับการรัฐศัสการพระอาจารย์ครับดูข่าวที่มีผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองบรรลุเป็นพระโสดาบันเกิดจากจิตที่ผิดปกติหรือว่าเขาเคร่งครัดเคร่งเครียดกับธรรมมากเกินไปครับ อ, อก็เป็นจิตทีเ่เรียกว่าฟันเสื่อเนื้อคิดไม่ได้คิดด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้คิดตามความเป็นจริงของจิต คิดไปตามความจินตนาการนั่นเองคุณอาครับสับสนค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะกายไม่ใช่เราใจต่างหากที่เป็นเราแต่เราไม่มีคือถ้าพวดเราเราวาร่างกายกับจิตใจเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่จิตใจเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี้ครับแล้วพอเรา เราปล่อยวางร่างกายได้แล้วก็มาดูจิตใจที่แล้วในจิตใจเราที่ว่าที่ว่ามีเราเนี่ยเรามันเป็นเราแท้หรือเรากวอมเราก็จะเห็นว่าเราที่เราคิดว่าเป็นเราในจิตใจนี้ก็เป็นเรากลองเพราะเป็นเราที่เกิดจากความคิดภูมิแต่ของจิตใจเองเวลาเราทำสมาธิเวลาจิตใจเราหยุดคิดคำว่าเรานี้ก็หายไปเราก็จะเห็นว่าในที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเราจิตก็ไม่ได้เป็นเราร่างกายก็ไม่ได้เป็น เพราะเรามันไม่มีเรามันเป็นจินตนาการของจิตพุดคิดปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองคุณแพทย์ครับเรียนถามวิเคราะห์นะคะหากจเจริญสติแล้วลมหายใจเหมือนจะหายไปอย่างนี้เราจะไม่สามารถดูลมเข้าออกเราควรจะกำหนดอย่างไรคะก็ดูที่จุดเดิมนะดูที่จุดที่เราดูลมในแบบดูความไม่มีลมไปเท่า น, นั้นเอง อย่าให้ใจไปคิดปรุงแต่งอาให้ใจขึ้นไปที่ให้อยู่ที่จุดเดิมต่อไปคุณนราครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะที่พระอาจารย์พูดเรื่องการเรียนไหวตายเกิดจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วสามารถไปเลือกเกิดกับญาติพี่น้องเพื่อนสนิทหรือครอบครัวที่เราอยากกลับไปเกิดในภพใหม่ได้หรือไม่คะเออมันมันเลือกไปได้หรอมันอยู่ที่เหตุปัจจัยอยู่ที่จังหวะอยู่ที่หลายๆอย่างที่ที่จะทําให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่ เี่ยุเปรียบ เ, เทียบเงี้ยมันก็ว่าสมมติเราขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดงแล้วเราก็มีรถซ้ายขวาข้างหน้าหลังแล้วเราคิดว่าพรุ่งนี้เรากลับมาที่สี่แยกนี้ครั้งจะเจอรถสี่คันที่อยู่ซ้ายขวาข้างหน้าหลังเราหรือเปล่าจงางหวะที่จะมันเป็นไปได้มันมันยากไหมมันง่ายไหมหนั่นหลักก็คือสภาพของการมาเกิดเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปกําหนดบังคับได้ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามันเป็นมีปัจจัยพร้อมเหมือนกับวันวันนี้มัาจะเจอกันก็ได้ทั้งสี่คันคันหน้าก็เหมือนกับเมื่อวานนี้คันหลังคันซ้ายคันขวาก็เหมือนกันโอ้กาแสดงว่ามันมันมันยากยิ่งกว่ถุกว่าเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยคุณเปตองครับขออนุญาตถามอาจารย์นะครับเรื่องราวพุทธประวัติเช่นพระพุทธเจ้าผจญมาร ไปโปรดพุทธมารดาบนสวนรรค์เป็นเรื่องจริงไหมครับวงเล็บว่าไม่มีเจตนาปราโมทย์ศาสดานะครับอ๋อจริงแต่คำว่ามานี่มันไม่ได้เป็นแบบมาที่เราวาดภาพกันนะมานก็คือคอริผู้ที่มามามีปัญหากับเรานี้เราได้ก็ามานผู้ที่จะมามาอย่างอย่างเทวทัตเนี่ยถือว่าเป็นมารของโวสจางเทวทัตเนี่ก็จะมา มาคอยสร้างเวรสร้างกรรมสร้างปัญหาให้กับพุทธเจ้าอยูยส่วนการไปบวชพุทธมารดาก็เป็นจริงพระพุทธมารดาเป็นเทวดาและพระพุทธเจ้ามีพลังจิตที่สามารถที่จะติดต่อกับเทวดาได้ถ้าสามารถแสดงทโปรดพุทธมารดาผ่านทางกระแสจิตได้ตัวร่างกายของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์นะตัวร่างกายเจ้าก็อยู่ในโลกนี้แต่ผู้ที่ไปก็คือกระแสจิตของพระพุทธเจ้าส่งไป ไม่เก่าเราติดต่อคุยกันตอนนี้เราไม่ได้มาที่นะี่อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมโยมก็อยู่ที่บ้านของโยมหมอก็อยู่ที่บ้านของหมอแล้วก็อยู่ที่กุติของเราแต่เราสามารถมีสื่อที่เราสามารถสื่อสารติดต่อกันได้ถ้าเรามาพูดเมื่อสักยี่สิบปีเราพูดอย่างนี้มีใครเชื่อไหมว่าเราสามารถติดต่อกันได้แบบนี้ไม่มีใครเชื่อหรอกอันนี้ก็เหมือนกันการติดต่อทางจิตก็เหมือนกับการติดต่อผ่านทางระบบวิทยุสัญญาวิทยุที่เราทํากันอยู่ในขณะนี้ เป็นไปได้เป็นจริงไม่ได้และการสงสัยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการปรามาสแต่อย่างใดเพราะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจครับเมื่อเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เราก็อาจจะที่ว่าเป็นเป็นไปได้เด้อเห็นไผมแต่พอเรามาศึกษ า, ามาปฏิบัติทําแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราจะไม่สงสัยครับจากคุณแท็บครับ ขอสอบถามพระอาจารย์ครับพระอาหารหันต์ต้องมีศีล227ข้อไหมครับหรือมีแค่ศีล5หรือ8หรือ10ก็สามารถเป็นพระอาหารหันต์ได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเพราะพระอาหารหันต์มีศีลข้อเดียวคือดูใจอย่างเดียวใจคือศีลของพระอาหารหันต์ใจที่เป็นปะกะติก็ไม่ต้องรักษาศีลอะไรต่อไปที่ต้องรักษาศีลว่าใจไม่ปะกะติกันพอใจโลกปั๊บเดียวก็ไปทําบาปขึ้นมาทันที พอใจไม่ดบก็ไม่มีการกระทํำบาปไม่มีการโกรไม่มีความลงคุณชาญพรครับแม่สามีดื้อมากค่ะพอยมบอกว่าอย่าทําแบบนี้เดี๋ยวเซล้มเขาไม่ฟังทําเป็นหูดับเราก็บน่นอย่างนี้เราบาปมากไหมคะแล้วควรทําอย่างไรคะหรือแค่รู้ดูเฉยๆแต่จะทําใจได้แค่ไหนหากเกิดล้มขึ้นมาก็เรื่องของเขาสิเมื่อเราบอกขอเาขาแล้วเขาค่อยอยาก ก็อยากจะทำอะไรตามใจเขาเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับเขาก็คอยดูคอยช่วยเขาแล้วแต่เวลาเขาร่มขึ้นมาแต่เราไม่สามารถที่จะไปเจ้าี่เจ้าการกับชีวิตของเขาได้ไม่มีใครอยากจะให้ใครมาเจัาที่เจ้าการกับชีวิตของเขาของเราเราไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเจัาที่จ้าการกับชีวิตของเราเราก็ไม่ควรไปเจัาที่เจ้าการกับชีวิตของคนนี้นอกจากเขาขอร้องความช่วยเหลือแล้วค่อยไปช่วยเขาดีกว่าถ้าเขาไม่ขอร้องเราก็ดูห่างๆไว้ก็แล้วกัน เตรียมพร้อมเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมเวลาก็เป็นเหมือนกับแพทย์พยาบาลแพทย์พยาบาลนี่ไม่วิ่งไปตามบ้านไปบอกให้คุณอย่ากินเหล้าอย่าสูบกูเลยยาให้รักษาสุขภาพให้ดีให้ออกกำลังกายใช่ไหมหมอไม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมหมอก็รออยู่ที่โรงพยาบาลรอให้เขาว่าโอ๊ยอเวลาเขาเดือดรอแล้วเขามาขอขอความช่วยเหลือหมอก็ช่วยเหลือก็ไปแล้วก็ทำตัวเป็นแบบหมอสิแล้วก็เฉยเฉเตรียมพร้อมาาไม่ก็แล้วกัน พอพอเวลาเราต้องการความช่วยเหลือเราก็เข้าไปช่วยเหลือเขาเลยถ้าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือก็ปล่อยเขงไปตามเรื่องของครับอาจารย์ขออีกสักสองคำถามนะครับน่าสนใจครับคุณเจครับบอกว่าหากเราอยู่ในภพของเทวดาหรือสัตว์นรกหรือพรหมเราสามารถสร้างกรรมดีชั่วหรือสมาธิให้อยู่ในภพนั้นต่อไม่สิ้นอํานาจของกรรมได้ไหมครับหรือสามภพนั้นเป็นภพที่เสวยผลของกรรมกระทําบนโลกมนุษย์หากหมดสิ้นผลแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอีก ส่วนใหญ่จาทําไม่ได้ยกเว้นถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วได้เพราะพระอริยบุคคลนี้มีพลังของสติของปัญญาที่จะปฏิบัติทําต่อได้ไม่ว่าจะอยู่ในภพของเทวดาหรือภพของโถงเช่นพระนาคามีตายไปแล้วก็ไม่มาเกิดในภพของมนุษย์ท่านก็จะไปเกิดในภพของโถงแล้วท่านก็จะปฏิบัติทําต่อไปจนบรรลุเป็นพระรหันได้ส่วนพระโสนาบันก็จะไปเกิดในภพของเทวดา แล้วก็สามารถปฏิบัติเช่นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, าสอนให้เป็นพระพระพรโสดาบัน ไ, ได้แล้วท่านก็สามารถปฏิบัติต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมีพระ พ, พุทธเจ้ามาสอนดังนั้จะสามารถเรื่องระดับจากพระโสดาไปเป็นพระหัได้ตามลําดับต่อไปถ้าไม่เป็นพระ อ, อริยบุคคลัส่วนใหญ่จะไม่มีสติพอที่จะมาบังคับจใจให้ไปทําอะไร อันนั้นก็จะปล่อยให้เป็นไปตายทานาจของบุญของบาปที่กําลังส่งคนอยู่ในตอนนั้นทันี้ถ้าเป็นบุญก็เป็นเทวดาเสเสกความสุขของเทวดาไปฝันดีไปถ้าเป็นอบายก็ฝันร้ายไปจนกว่าจะตื่นขึ้นมามาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณวิวิดครับกราฟมรดการถามครับว่าลูกจีนไหวตุ้ดจีนจะหลุดจากไปสระนคมไหมครับมีวิธีไหวยอย่างไรครับ คือมันเป็นเรื่องของประเพณีการไหว้ตกจีนนี่ก็เป็นวันการไหว้พระบุตรซึ่งก็เป็นคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าบอกให้บูชาบิดามารดาให้อุปถัมภ์เล้ยดูพ่อแม่เพราะฉะนั้นมันไม่ขัดกับคําสอนของของของของพระพุทธเจ้าถ้าคําสอนไหนขัดกันการกระทําไหนที่มันขัดกับคําสอนก็ไม่ควรจะทําเช่นถ้ามีประเพณีให้เราไปทําร้ายพ่อแม่นี่อย่างนี้ก็ไม่เป็น เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูแลพ่อแม่นการการการไปกราบไหว้บูชาการไหว้วจริงก็ว่า้พ่อแม่เราไหว้ผู้่าติตายายแต่แม้ว่าท่านจะตายไปแล้วเราก็ยังวเวลานึกถึงพระคุณของท่านอยู่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไม่ขัดกับคําสอนของพระพุทธธรรมระสมก็สามารถทําได้แต่ถ้าการกระทําที่มันขัดต่อคําสอนของพระพุทธธรมรมผสมเราก็ทําไม่ได้ แล้วยังตัวจีนไหวเจ้าด้วยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับก็ไหวเป็นอะไก็ไหวเป็นอะไรก็เป็นเสียใชไหมครับเ ร, เราก็ถ้าเราถึงมาเจ้าเป็นเทวดา iter, ใช่ไหมพวกเจ้าก็าเป็นเทวดาแล้วก็ไหวเทวดาเพราะเราให้เกียรติเทวดาให้เรายกให้เขาว่าเขาสูงกว่าเราเราก็ ไ, วกไวหเไวเขาให้ความเาบบคารพกับเขาแต่เคารพแบบไม่ได้ไปขออะไรเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่อย่างไปบวกส่งขอไม่ได้ คือให้คือคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้ท่านเป็นเป็นครูเป็นคนสอนเป็<ะ>ถ้าเราจะไปให้คนอื่นสอนถ้าคําสอนน้องไม่ขาดเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้แต่การไปขอสนสิ่งเมื่อสิ่งนี้ไม่ว่าจะอยากใครนี่ขัดเกี่ยวับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเพิ่มตนเองแต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธถ้าคนอื่นก็จะให้ความช่วยเหลือก็รับความช่วยเหลือได้ แต่อยังไปขอความช่วยเหลือจากใค ร, ถ, รถ้าเรายังช่วยเหลือตัวเราเองได้อยู่ก็ช่วยเหลือตัวเราเองไปอัตตาอิอัตโนนาครับผมอาจารย์ครับขอ ก, บ อ, บอกับอ่าบอกเพื่อนๆที่ฟังทำด้วยกันในะวันนี้นะครับใน facebook มีฟังกันอยู่811คนใน youtube ยูทูบ673คนนะครับในขับพาวสิบเก้าคนวันนี้มีคนฟังทำด้วยกัน 1,503 คนนะครับอาจารย์ครับเอยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้เผยแล่คำสอนให้แก่ผู้ที่สนใจได้เป็นจำนวนมากก็หวังว่าท่านคงจะนำออกไปใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ต่อไปการแสดงสาหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาธรรมที่ท่านได้ยินได้ฝ่ามี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอสาธุอลาคุณหมอไปเลยถ้าไม่มีเหการณ์อะไร เห็นแปลงก็คงจะได้พบกันอกในอาทิตย์หน้าครับอาาครับกลับขอบพระคุณครับผมลาไาก่อนนะครับกลับงานัดการครับ